ทำให้ผมอดนึกไปถึงพวกไวท์ฮันเตอร์หรือพวกพารนผิวขาวในแอฟริกาไม่ได้นึกไปถึงว่าในป่าเมืองเราจะมีในพารนที่เจริญแล้วพูดกันได้รู้เรื่องอย่างคนได้รับการศึกษาดีอย่างนี้แต่น้อยไม่เข้าจะถูกจะตาเขาเลยในพารนภัยใยฉกาดคนนี้หม่อมราชวงศ์หญิงดาลินกล่าวออกมาปนหัวเราดน้อยน้อยเห็นครั้งแรกพูดกันสองคำก็รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยโส พอๆพกับเลือดเย็นหล่อนหันมาทางนายอำพลอย่างน้อยคุณก็คงจะพอทราบประวัติของเขามาบ้างถ้าบอกให้เราได้รู้ไว้ก็จะเป็นการดีอดีตของเขาความเป็นมาอำพลยิ้มอย่างสุภาพแล้วก็ตอเบเรียบๆว่าระพินภัยวันเป็นนักเรียนนายทหารจากเยอรมนีครับยศเดิมของเขาคือร้อยตำรวจเอกประจาหน่วยตะเวนชายแดน เหตุผลในทางการเมืองและการหมั่นผลัดเปลี่ยนเจ้านายทําให้เขาถูกปลดเขาไม่มีความรู้ความชํานาญอะไรมากไปกว่าการยิงปืนและการเดินป่าถึงได้หันมาหาชีพนี้ความจริงบรรพบุรุษเขาเองก็มีความชํานาญมาก่อนเป็นการสืบเชื้อสายโดยที่เขาก็ไม่อาจไม่ตั้งใจหรือรู้ตัวมาก่อนพูดภาษาชาวป่าได้ทุกแขนงและเดินป่าได้เหมือนพวกเราเดินไปตามถนนราชดําเนิน คำบอกเล่าของผู้อำนวยการบริษัทไทไวท์ไรท์ทำให้ทุกคนผ ง, งะตะลึงพึงเพิดไปในบัตรนั้นอกแตกตายหม่อมราชวงหญิงดาลินอุทานออกมาตาพานไพใจชะกันหน้าเหี้ยมราวกับโจรป่าคนนี้นะหรือนักเรียนเยอรมันเคยเป็นร้อยตำรวจเอตะเวนชายแดนครับคนนี้แหละหญิงสาวมีอาการเหมือนจะเป็นลมชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างอีกครั้ง ขณะนั้นจีบของรถพินกำลังเคลื่อนออกจากประตูสถานีกากศาสของนาเอมพล์ไปจะเป็นการบังเอิญหรืออะไรก็ตามทีพรานใหญ่เรือบขึ้นมาและก็พบกับดวงตาของรอนพอดีดูเหมือนเขาจะยกมือขึ้นแตะ ก, กับปีกหมวกราชสตัตว์ส่งการคารวะน้อยๆมาให้เกเรอนดารินกัดริมฝีปากจ้องจนรับตาไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าล่ะพูดจาเลี้ยรถสาคัญนะัก แต่ตีหน้าเซื้อทึ่มอย่างสนิทพี่ใหญ่คะเปลี่ยนพานนําทางใหม่เถอะคืนเอาคนคนนี้นําทางมีหวังทะเลาะกับน้อยฆ่ากันตายสิก่อนกลางทางแน่ๆหล่อนบ่นออกมาเครื่องหัวเราะเครึ่องบึ้งอย่างฉุนฉุนแต่พี่ชายไม่ได้สนใจอะไรด้วยหันไปทางอัมพลโชคดีจริงผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าพรานของเราจะเป็นคนที่มีการศึกษาดีเยี่ยมมาแล้วเช่นนี้จริงๆนะเหมือนฝันไปงั้นแหละ ผมปลอดโปรงใจเหลือเกินแทบจะพูดได้เต็มปากว่าหมดความกังวลอะไรทุกอย่างแล้วต่อไปมันก็เป็นเรื่องของโชคหรือเคราะห์ที่เราจะเผชิญตามแต่บุญกรรมเท่านั้นฉันเองก็สังหรณ์แต่แรกแล้วชายันว่าสังเกตดูลักษณะการพูดจาคุณระพินเป็นคนที่มีการศึกษาดีไม่ใช่พรานพื้นบ้านอย่างที่เราเข้าใจกันแต่แรกว่าแต่น้อยเถอะ ทำไมถึงไปคอมเมนเขาทั้งๆ ท, ท, ที่ชีวิตของเราทั้งหมดกําลังจะฝากอยู่กับเขาไม่รู้ฉันไม่ถูกชะตาเลยในพรานไพรคนนี้พูดจาไราขวางหูพิรึกหม่อมราชวงหญิงคนสวยตอบสะบัดสะบัดคณะของหม่อมราชวงศ์เชิดาทั้งหมดพักอยู่ในบ้านพักรับรองของนายอัมพลในฐานะแขกผู้สรงเกียรติภายในสถานีกากสัตว์อันกว้างใหญ่เรือนรับรองแขก เป็นตึกครึ่งไม้หลังใหญ่ปลูกแบบทันสมัยตั้งอยู่ทางด้านหลังของบริเวณแวดล้อมไปด้วยกรงนกนานาชนิดและพันไม้ที่ปลูกไว้อย่างเป็นระเบียบงามตาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก่อนตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษด้วยความเคารพนับถือทำให้ผู้อำนวยการบริษัทไทยไว้์ไรท์ให้การรับรองแขกของเขาอย่างเป็นอย่างดียิ่งวันรุ่งขึ้นก่อนเที่ยงเล็กน้อย ขณะที่ทุกคนนั่งสนทนากันอยู่ในห้องนั่งเล่นโดยมีนายอัมพลเจ้าของบ้านร่วมอยู่ด้วยระพินภัยวันณก็โผล่เข้ามาตามเวลานัดวันนี้จอมพรานดูเหมือนจะเรียบร้อยสดใสกว่าภาพที่อยู่ในชุดเดินป่าอันขมุกขอมอมเหมือนที่เห็นเมื่อวานหนวดคราวอันเกียวคลุ้มถูกโกนเกลี้ยงทําให้มองเห็นผิวหน้าสีทองแดงได้ถนัดขึ้นทุกคนต้อนรับทักทายเว้นไว้แต่หม่อมราชวงศ์หญิงดาลิน ผู้มองดูเฉยๆแม้ว่าเขาจะหันไปก้มศรีรษะให้เป็นการคารวะตามธรรมเนียมวันนี้หล่อนอยู่ในเชิ้ตโปโลและกางเกงผ้ายืดรัดรูปทรงสีดอกตะแบกแจ่มเจิดเลิดรักหน้าพิศวงแต่มันดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะผานไพยใจฉกาดที่หล่อนว่าไม่เคยแสดงความตื่นเต้นสนใจอะไรเลยสักนิดผิดกับผู้ชายสามัญธรรมดาที่หล่อนเคยพบเห็นมานักต่อนัก สอนศิลไม่กินกันเลยอิตาผานต่าคนนี้หล่อนบนอุบอิบอยู่ในลําคอคนเดียวแล้วโฉบหางตาค้อนให้อย่างไม่มีเหตุผลคนถูกค้อนคงไม่เห็นพระโมแต่พูดอยู่กับคนอื่นๆทั้งหมดรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันและสนทนาคงมีผู้ร่วมวงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ปริกปากพูดอะไรออกมาทั้งสิน้นคือราชสกุลสาวคนสวยนอกนั้นพูดคุยกันอย่างสนุก ระพินเร้าถึงชีวิตในป่าของเขาให้ฟังให้ทั้งหมดฟังตลอดระยะเวลาที่ร่วมรับประทานอาหารแต่ไม่มีใครพูดข้องแวะไปถึงเรื่องสำคัญที่เป็นเป้าหมายพูดค้างไว้กันเมื่อวานนี้ภายหลังเวลาอาหารนายอําพลเชิญทุกคนกลับมานั่งสนทนาต่อกันที่ห้องนั่งเล่นตามเดิมต่างสูบบุหรี่และดื่มบรันดีคุณตกลงใจแล้วหรือยังครับ สำหรับเรื่องสำคัญที่เราพูดกันเมื่อวานหม่อมราชวงเชษฐาถามขึ้นด้วยเสียงแจ่มใสเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าคุณคงจะไม่ทำให้เราต้องผิดหวังชยันเสริมจ้องหน้าพรานใหญ่นิ่งขณะนี้รบพินภัยวันอัดควันบุรีรึกและปล่อยให้มันค่อยๆระบายออกมาจากปากและจมูกตาสีเข้มของเขาท่อจับไปยังหัวกระถิงขนาดใหญ่ซึ่งสตัฟติดประดับไว้กับฝาผนังห้อง คงไม่มีอะไรขัดข้องไม่ใช่หรือครับคุณรพินผู้อำนวยการบริษัทไทไวท์ไรส์อันเอาใจช่วยคณะที่มาจากกรุงเทพกล่าวมาพร้อมกับหัวเราะเบาๆขอให้ผมได้ถามย้ำอีกสักครั้งเขาพูดช้าๆด้วยเสียงห้ากวางวนพวกคุณแน่ใจแล้วหรือในการที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงครั้งนี้ไม่มีอะไรเคลือบแคงเลยคุณรพินถ้าเช่นนั้น ผมก็จะได้ยื่นข้อเสนอเชิญเลยครับเรากำลังรอฟังอยู่ข้อที่หนึ่งคณะของคุณจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการเดินทางครั้งนี้ข้อที่สองผลประโยชน์เกิดจากสิ่งมีค่าใดๆก็ตามที่เราอาจพบในการเดินทางผมจะต้องมีส่วนแบ่งด้วยหนึ่งในสาข้อที่สาม คุณจะต้องจ่ายเป็นค่าจ้างผมในเป็นจํานวนเงินส0 0 0 0 0บาทล่วงหน้าข้อที่4ก่อนการออกเดินทางในครั้งนี้คุณจะต้องตกลงทําสัญญาในกรณีแห่งความตายหรือความทุพพลภาพของผมโดยรับรองว่าถ้าเหตุการณ์ชนิดนี้เกิดขึ้นคุณจะต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูอุปการะคุณแม่ของผมเดือนละสาม0ันบาททุกเดือนไปจนกว่าชีวิตของท่านจะสิน้น เป็นยังไงครับข้อเสนอของผมออกจะมากมายเกินไปหรือเปล่าโดยไม่ต้องใคร่ครวญอะไรเลยแม้แต่นิดหนึ่งหม่อมราชวงศ์เชื่ถายิ้มส่งมือให้มาให้นนพานใหญ่จับและบีบแน่นตกลงครับผมขอรับข้อเสนอนี้โดยไม่มีการต่อรองเกี่ยงงอนอะไรเลยทั้งสิ้นผมจะรับใช้คุณอย่างซื่อสัตย์สุจริตจนกว่าคุณจะร่มเลิกผลงานของคุณเสียเองหรือจนกว่าจะสําเร็จ มิฉชันนั้นก็จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของพวกเราทุกคนในทันทีที่คุณทำสัญญาตามข้อเสนอของผมนี้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยชายยันยิ้มแจ่มใสเข้ามาจับมือจอมพรานเขย่าโดยแรงอย่างยินดีนายอัมพลพลอยตื่นปิติสแสดงความยินดีกับทั้งสองฝ่ายหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินเพียงแต่ยิ้มมุมปากใช้หางตาจับอยู่ที่พรานใหญ่เงียบเงียบเอาละครับ แล้วินพูดยิ้มกล้า่นๆมองผ่านไปยังทุกคนไหนๆผมก็ได้ตกลงรับจ้างนําทางในครั้งนี้แล้วก็จะขอบอกกับคุณตามสัต์จริงคือผมไม่คิดเลยว่าเราจะได้กลับออกมาอีกในการมุ่งหน้าไปยังเทือกเขามรณะแห่งนี้อะไรเป็นผลกรรมที่เกิดขึ้นกับมังมหานรธาเมื่อเกือบสี่ร้อปีก่อนโน้นอะไรเป็นบาปเพราะเกิดขึ้นกับเนวิน ผู้สืบตระกูลของเขาเมื่อห้าปีก่อนนี้และอะไรที่จะมังเกิดขึ้นกับคุณชายอนุชาผู้เป็นน้องชายของคุณชายเชษฐาสิ่งนั้นแหละครับจะพันบังเกิดขึ้นกับพวกเราคําพูดของเขาสร้างความเงียบงันให้แก่ทุกคนด้วยความรู้สึกภายในที่ไม่อาจทายถูกหมอมราชวงเชษฐาคงมีสีนหน้าขรึมสงบเยือกเย็นเหมือนเดิมพันตรีชายยันกระพริบตาหายใจขัดกัด รู้สึกไม่ปลอดโปร่งนักหม่อมราชวงหญิงดารินเม้มริมฝีปากส่วนนายอัมพลทั้งทางที่เขาเองไม่มีส่วนร่วมด้วยในการเดินทางครั้งนี้ยังถึงกับหน้าซีดในความเงียบงันไปชั่วขณะนั้นหม่อมราชวงหญิงดารินวราริศหัวเราะออกมาด้วยเสียงแหลมใสพร้อมกับพูดออกมาเป็นประโยคแรกของการอยู่ร่วมวงสุดด้วยสําหรับวันนี้ว่า ฉันไม่เข้าใจเลยนายพรานหล่อนเน้นเรียกคำว่านายพรานอย่างเจตนาแทนที่จะเอ่ยเรียกนามของเขาคุณตกลงรับจ้างที่จะนำทางให้แกเราแล้วแต่ทำไมถึงมาพูดอะไรเป็นการข่มหรือทำลายขวานเราอย่างนี้ระพินภัยวันไม่ได้มองไปทางหล่อนแต่คงมองจับนิ่งอยู่ที่หม่อมราชวงศ์เชษฐาปากก็ว่าผมเรียนแล้วว่าผมพูดตามสัตว์จริงอันเป็นความรู้สึกของผมเอง เอาละหญิงสาวเดินอย่างมีสงา่าจากตู้ไซบอร์ดที่ห่อนยืนพิงอยู่มาหยุดยืนอยู่ในตำแหน่งทิศทางตรงเบื้องหน้าของเขาเหมือนจะบังคับให้เขามองดูห่อนในขณะที่พูดสมมุติว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะไปตายกันคุณเองก็เป็นคนนำทางแล้วคุณตกลงไปทำไมครั้งนี้สายตาของพรานใหญ่แลไปประสานสายตาคมเฉียบของสาวสวยด้วยการมองตรงเต็มตา ริมฝีป่าของเขาปรากฏรอยยิ้มชนิดหนึ่งผมมีเหตุผลในการตกลงรับจ้างครั้งนี้ครับเป็นเหตุผลสองประการอะไรบ้างหลอดเลือกคิ้วเชิดหน้าถามสวนมาโดยเร็วประการที่1ผมเป็นคนจนค่าจ้างและเงื่อนไขที่ผมเรียกร้องเป็นการพอใจของผมแล้วในการที่จะเสี่ยงชีวิตครั้งนี้มันอาจถูกไปหน่อยสําหรับราคาชีวิตของคนบางคน แต่สำหรับผมเห็นว่าพอสมควรแล้วประการที่สองการเดินทางครั้งนี้มีชีวิตที่ทรงค่ากว่าผมมากมายหลายท่านนักร่วมเสี่ยงอยู่กับผมด้วยคือคุณชายเชษฐาและพันตีชายยันก็เมื่อท่านทั้งสองอยังกล้าเสี่ยงทำไมเราคนอย่างผมจะไม่กล้าคำตอบของเขาทำให้รอนอึง้งฉันคิดว่า พรุ่งนี้เราควรจะกลับกรุงเทพจัดเตรียมอะไรเสียให้พร้อมแล้วก็กลับมาที่นี่โดยเร็วที่สุดพร้อมกับทนายความเพื่อทําสัญญาเป็นรายรักอักษรให้คุณรพินสบายใจเสียจะได้จัดเตรียมการเดินทางต่อไปหรือยังไงชายยันหันไปถามความเห็นเชฐืฐาอดีตทู่ทหารบกก้มศรีรษะลงควรจะเป็นเช่นนั้นลงได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็ควรจะออกเดินทางให้เร็วที่สุดแล้วก็หันมาทางจอมการ ผมจะรีดจัดการทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อเสนอเรียกร้องของคุณเร็วที่สุดขณะนี้ขอให้เรามาปรึกษาเรื่องการเดินทางกันเถอะเชษฐาชายยันะรับพินร่วมหารือกันอยู่เป็นเวลาประมาณเกือบชั่วโมงเต็มจอมพรานอธิบายคร่าวๆให้ทราบถึงแผนเดินทางว่าแต่ทางฝ่ายคุณจะมีผู้ร่วมเดินทางไปกี่คนตอนหนึ่งเขาถาม ก็เท่าที่เห็นอยู่นี่แหละผมชายยานแล้วก็น้อยง่าผมหมายถึงดารินผมขอทวงว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ควรจะมีสุภาพสตรีเกี่ยวข้องด้วยระพินขัดขึ้นโดยเร็วสีหน้าเคร่งขึมคุณมีเหตุผลอะไรที่จะกีดกันให้ฉันไปด้วยเสียงแหลมของหญิงสาวสวนมาในทันทีทันใดนั้นหล่อนจ้องด้วยตาเป็นประกายรุกวาวความไม่พอใจสแดงชัด ผมไม่จําเป็นจะต้องอธิบายโดยในข้อนี้ทุกท่านรวมทั้งตัวคุณหญิงเองก็น่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าการเดินทางในครั้งนี้ไม่ได้ไปปิกนิกน้ําเสียงของเขาห้วนเฉียบพอๆกับกลอนดาดินผุดลุกขึ้นยืนในทันทีนั้นอย่าลืมว่าคุณเป็นลูกจ้างของเรานะใช่ผมเป็นลูกจ้างลูกจ้างที่จะต้องนําทางและพิทักษ์ชีวิตของนายจ้างทุกคนที่จะเดินทางไปในครั้งนี้ แต่ผมก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปเสษภาระหนักเกินไปนั่นก็คือการพิทักษ์ชีวิตของผู้หญิงด้วยอีกคนหนึ่งโดยไม่จำเป็นดาลินหน้าแดงก ำ, กำมือแน่นจ้องตาเขานิ่งอยู่เช่นนั้นอึดใจหนึ่งก็หัวเราะแค่นๆออกมาเดินมาที่ราวปืนไรเฟิลขนาดต่างๆซึ่งตั้งประดับอยู่ในห้องกระช้าขนาด30บศัพท์แบบริเวอร์แอคชั่นปลิวติดมือขึ้นมากระบอกหนึ่ง คว้ากล่องกระสุนซึ่งวางอยู่ในตู้กระจกใกล้ๆขึ้นมาเปิดช้าๆบรรจุรูปอย่างเยือกเย็นเข้าไปทีระนัดตายังมองจับอยู่ที่รพินเช่นนั้นครั้นแล้วพริบตานั่นเองหล่อนสะบัด ต, ตัวกลับหันออกไปทางหน้าต่างกระชากรีเวอร์หรือคานเวียงของไ ล, ไลเฟิรกระบอกนั้นส่งกระสุนขึ้นลาอย่างรวดเร็วแล้วเสียงปืนก็แผ่ระเบิดขึ้นกึกก้องจากนิ้วเร็วที่แตะไกลเปรียงเปรียงเปรียง สถานไปทั้งห้องลูกนุ่นดิบพวงหนึ่งจากต้นนุ่นที่ยืนอยู่ห่างหน้าต่างบานนั้นประมาณ4ี่สิบเมตรปลิวกระเด็นดุจจากขั่วไปทีระลูกในทุกครั้งที่หลอนปล่อยกระสุนออกไปนัดสุดท้ายหล่อนเล็งตัดขั้วขาดหล่นมาทั้งพวงแล้วหล่อนก็หันกลับมาอกตะงานงามกระเพื่อมเป็นระลอกด้วยลมหายใจหอบเพราะความโกรธถามว่าเป็นไง ฉันจะเป็นภาละให้คุณต้องกังวลหนักใจมากไหมเดีย๋ยวว่าติปืนยิงนกยิงหนูกะบอกขนาดนี้เลยขนาดจุด4 5 8 African Magnum หรือจุด600 n i t o Express ฉันก็เคยร่าไกายมันมาแล้วนี่ดีว่าวันนี้คุณโกนหนวดของคุณมาแล้วนะทำไมงั้นล่ะก็ในระยะ100ร้อยหลาฉันจะช่วยถางหนวดคุณให้ด้วยลูกปืนไรฟิชนิดที่ไม่ทำให้ผิวของคุณต้องแสบเลยทุกคนตกตะลึง ในความฉุนเฉียวของหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอัมพรพรากรถึงกับพงะเพราะเขาไม่ทราบมาก่อนเลยว่าราชสกุลสาวคนสวยจะสามารถยิงไรเฟิลได้ด้วยฝีมือเยี่ยมยอดถึงเพียงนี้พี่ชายกับเพื่อนชายรู้มือกันมาก่อนแล้วไม่ตื่นอะไรนะักแต่งานไปเพราะความเกรี้ยกลดอารวจพระพินภัยวันเฉยๆตอบเรียบเรียบ ด้วยสีหน้าตายของเขาตามเดิมว่าการยิงปืนแม่นของคุณหญิงไม่ได้เป็นประกาศนิยบัตรหรือรับรองให้ผมแน่ใจว่าภาระของผมจะเบาบางลงไปเลยขออภัยด้วยครับถ้าหากการปฏิเสธของผมทําให้คุณหญิงโกรธหล่อนถือปืนเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาเสียดายนะที่ฉันเป็นผู้หญิงหล่อนพูดเบาๆแต่กร้าว ใช้ปากบอกปืนเขี่ยที่ต้นแขนจอมพรานแล้วยิ้มยันยันถ้าฉันเป็นผู้ชายโดนการสบประมาทกันแบบนี้ฉันคงจะท้าคุณต่อยแน่นี่คือเหตุผลครับคุณหญิงก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้วนี่ว่าคุณหญิงเป็นผู้หญิงขอให้เรามาพูดกันด้วยเหตุผลหน่อยดารินฝืนหัวเราะพยายามจะข่มโท่สะในสีหน้าและอาการอันวางเฉยของพรานใหญ่ จริงระฉันเป็นผู้หญิงแต่ไม่ว่าอะไรที่นายพรานมือจักาดอย่างคุณเช่นที่ใครๆเขายกย่องร่ำเรือนักทําได้ฉันก็ทําได้ทั้งนั้นแล้วทําไมคุณถึงจะมาจํากัดสิทธิ์ฉันไม่ให้ฉันเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยทั้งๆ ท, ที่มันก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของฉันแท้ๆในฐานะที่พี่ชายฉันจ้างคุณคุณไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมาคอยพิทักษ์คุ้มภัยไร้ฉันหรอกทําทหน้าที่นําทางไปอย่างซื่อสัตย์ประการเดียวเท่านั้น ชีวิตและความปลอดภัยของฉันฉันรักษาเองได้พรานใหญ่ไม่สนใจอะไรกับปลนทั้งสิ้นเหมือนหนึ่งผู้ใหญ่ที่เมินเฉยต่ออาการตอแยของเด็กที่มายืนกวนๆอยู่ข้างๆหันไปทางหม่อมราชวงศ์เชษฐาพุ่นขึ้นเบาๆผมขอเชิญคุณชายพบเป็นการส่วนตัวสักครู่เถิดครับว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินออกไปยังระเบียงด้านนอกเชษฐารุกขึ้นตามออกมาโดยเร็ว ผมทราบว่าคุณกำลังต้องการจะพูดกับผมเรื่องอะไรหม่อมราชวง์เชษฐาพูดขึ้นอย่างอึดอัดพร้อมกับถอนใจผมเองกับชัยยันก็มีความคิดอย่างคุณ น, นั่นแหละครับเราได้ยับยั้งห้ามปรามเขาไว้แล้วนับครั้งไม่ถ้วนและทะเลาะกันทุกทีแต่เขาไม่ยอมเขาเป็นคนดื้อรั้นที่สุดต้องการจะร่วมทางไปให้ได้เห็นจะไม่มีทางสกัดกั้นไว้ได้หรอกครับคุณรพิน น้องสาวของผมคนนี้เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วลงท่าเขาคิดจะทำอะไรเขาต้องทำให้ได้เขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันในกรณีที่จะไปตามหาพี่ชายผมรู้ว่ามันเป็นเสี่ยงเพียงไรแต่เราก็เหลือกันอยู่สองคนพี่น้องแค่นี้เองทำยังไงได้คุณชายครับสมมติว่าผมคุณชายและคุณชายยัน ยังจะต้องถึงแก่ความพินาศแตกดับในการใช้ชีวิตอย่างลูกผู้ชายของเราในครั้งนี้มันเป็นการยุติธรรมแล้วหมดแล้วหรือครับที่จะเอาคุณหญิงดาลินอันเป็นน้องสาวของคุณชายเองไปพบกับเคราะหกรรมด้วยเชิดถาโรงศีรษะหน่าเครียดอย่างกรัดกุ้มแต่ผมไม่มีทางจะห้ามเขาได้และใครก็ห้ามเขาไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากว่าเราจะเลิกล้มการเดินทางครั้งนี้เสียซึ่งผมยอมไม่ได้โปรเถิดครับ อนุญาตให้เข้าไปด้วยสักคนอย่างน้อยที่สุดเ้าก็ยังพอจะทําประโยชน์ให้แกเราได้คณะเดินทางของเราควรจะมีหมอไปด้วยสักคนหนึ่งดาลินเป็นแพทย์หญิงอยู่แล้วมือเกียรตินิยมทีเดียวทั้งทางสัญญกรรมและอายุรเวทเขาอาจเป็นภาระราความหนักใจให้เราในด้านหนึ่งแต่ก็ให้ความปลอดภัยแก่เราในอีกด้านหนึ่งถ้างั้นก็แล้วแต่คุณชายเถิดครับที่ผมห้ามไว้ก็ด้วยเจตนาดีนั่นเอง แล้วหม่อมราชวงศ์เชษฐาก็ชวนเขากลับเข้าไปในห้องพอก้าวพ้นประตูเข้ามาแล้วพินพัยวันก็ชะงักกึกยืนนิ่งกับที่ไปชั่วขณะดารินวราริศหม่อมราชวงศ์หญิงคนร้านคนนั้นกําลังประทับปืนเล็งอะไรเล่นอยู่และในขณะนี้ขณะที่เขาก้าวเข้าไปศูนย์ปืนดูเหมือนจะจับดิ่งมาที่เป้าหมายหัวใจของเขาพอดีร่อนหัวเรอได้เสียงก้าวตา่ำ แล้วก็สายปากกระบอกทำเป็นเลงเลยหัวเขาไปเสียจอมพรานถอนใจเบาๆหม่อมราชวงศ์หญิงคนนี้นี่ร้ายกาจเรื่องจริงๆดูจะร้ายเสียยิ่งกว่าเจ้าเสือดำที่หลุดกลงเมื่อวานนี้หลายเท่านักเขาบ่นอยู่ในใจอย่างนํำคาญเมื่อกลับมานั่งลงที่เก่าหล่อนตวัดปืนมาพาดตักไว้ถามหน้าตาเฉยว่าเป็นไงอนุญาตให้ฉันไปด้วยหรื อ, อยังในพรานตกลงครับ หญิงสาหัวเราะออกมาอย่างมีชายเสียงสดใสขึ้นเห็นไหมบอกแล้วคุณเป็นลูกจ้างคุณต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามคําสั่งของนายจ้างซีแต่บางขณะนายจ้างก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของลูกจ้างเหมือนกันถ้าหากลูกจ้างคนนั้นเป็นลูกจ้างประเภทถือหางเสือเรือถ้าไม่งานเรือร่มนายจ้างก็จะจมน้ําตาย3คนหัวเราะอย่างขบขันขึ้นเป็นครั้งแรก ในคำพูดแบบเรียบๆหน้าตาเฉยของพรานใหญ่แต่ดารินคอนบ่นเบาๆฉันเป็นหมอนะคุณไม่คิดว่าคุณจะต้องพึ่งฉันบ้างในการเดินทางครั้งนี้ก็แล้วไปและพินไม่ได้ต่อแย่โตเถียงอะไรกับน้องสาวคนรั้นของผู้ที่กำลังจะเป็นนายจ้างของเขาอีกแต่อธิบายถึงแผนเดินทางต่อไปหนึ่งอาทิตย์ให้หลังทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมสรร ทนายประจำตระกูลวราฤทธิ์ได้ร่างสัญญาขึ้นฉบับหนึ่งเงื่อนไขถูกต้องตรงกันกับข้อเสนอตามต้องการของรัพินภัยวันทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมกับหม่อมราชวง์เชิฐถาก็มอบเช็คฉบับหนึ่งราคาสองแสนบาทอันเป็นค่าจ้างให้แก่พรานใหญ่ตามข้อตกลงซึ่งเขาได้นำไปขึ้นบัญชีฝากไว้ในนามของมารดาเงื่อนไขเรียกร้องต่างๆได้ถูกกระทาขึ้นชนิดบริสุทธิ์ใจตรงไปตรงมา เป็นที่พอใจของฝ่ายรับจ้างและฝ่ายผู้จ้างครบถ้วนทุกประการอย่าถือว่าเราทั้งสองฝ่ายเป็นนายจ้างและลูกจ้างแต่ถือเสียว่าเราเป็นเพื่อนตายที่จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่เผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันก็แล้วกันคุณพรพีนหม่อมราชวงศ์เชษฐากล่าวขึ้นหนักแน่นกอบไปด้วยรอยยิ้มขณะที่เข้ามาจับมือเขาบีบแน่นภายหลังจากการเซ็นสัญญา พระพินพายวันยิ้มอย่างสารวมสุภาพอยู่เหมือนเดิมขอบพระคุณอย่างสูงที่คุณชายกรุณาให้เกียรติผมแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมก็ถือตัวอยู่เสมอว่าผมเป็นลูกจ้างของคุณชายและขอปฏิญาณว่าจะเป็นลูกจ้างที่ซื่อสัตย์สุดจริตที่สุดตั้งแตว่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของเงื่อนไขสัญญาจ้างฉบับนี้ หม่อมราชวงศ์หญิงดาลินเลิกคิ้วขึ้นยิ้มนิดๆเสริมมาว่านั่นเป็นความคิดที่ดีและถูกต้องที่สุดแล้วนายพรานพรานใหญ่หันไปก้มศรีรษะให้แก่สาวสวยซึ่งประกาศความเป็นคู่ปรับกับเขาตั้งแต่แรกพบเป็นการโค้งคำนับอย่างอ่อนน้อมสวยงามที่สุดเท่าที่ผู้ที่อยู่ในฐานะลูกจ้างจะแสดงต่อนายจ้างได้เขาจะประชดหลอนหรือเปล่าหลอนไม่ทราบได้ แต่หล่อนเชิดหน้าปึงเบื่อไปเสียทางหนึ่งอย่างขวางลูกนิตาถึงแม้จะไม่มองรับคาระวะอันนั้นหูของหล่อนก็ยังไม่วาจะได้ยินคําตอบรับเป็นทางการว่าขอรับกระผมแล้วก็ฉุนกึกขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลตามเคยเราจะถือโอกาสเที่ยวป่าล่าสัตว์ไปในตัวด้วยระหว่างทางก่อนที่จะถึงการเดินทางอย่างมหาวิบาชจริงๆของเราคุณคงไม่ขัดข้องที่จะนาเราไม่ใช่หรือ พันตีชายยันกล่าวขึ้นด้วยอารมณ์สนุกไม่มีอะไรขัดข้องเลยครับถ้าเป็นความประสงค์ของพวกคุณรพินตอบอีกหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มเป็นระยะเวลาของการตัดเตรียมสัมภาระสิ่งของจำเป็นที่จะใช้ในการเดินทางและใช้เป็นเวลาสนทนาหาหรือกำหนดกะเกณ์ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่หม่อมราชวง์เชษฐาได้มอบให้เป็นหน้าที่ของรพินในการจัดหาตัดเตรียมทั้งสิ้น ยกเว้นแต่ของจําเป็นส่วนตัวของแต่ละคนเครื่องเวชภัณฑ์อาวุธและเครื่องกระสุนซึ่งเชษฐาดารินและชายยันต่างก็ตัดเตรียมกันมาเองอย่างเรือเฟือคณะเดินป่าจากกรุงเทพอันเป็นฝ่ายในจ้างหนองน้ําแห้งอันเป็นสถานีกักสัตว์ของรพินโดยถือเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของการเดินทางที่นั่นจอมพรานให้การรับรองต้อนรับคณะนายจ้างของเขาเป็นอย่างดี ในระหว่างการพักรอคอยกำหนดเดินทางความจริงหนองน้ำแห้งแต่เดิมก็เป็นใจกลางดงแห่งหนึ่งนั่นเองเพิ่งจะกลายเป็นหมู่บ้านย่อยๆขึ้นมาก็โดยฝีมือของรพินเองซึ่งเขาเห็นว่าทำเลเหมาะจึงมาสร้างแคมป์ถาวรขึ้นสำหรับเป็นสถานที่พักผิงในระหว่างการตะเวนดงแล้วก็ขยับขยายมาเป็นสถานีกักสว์ปลูกสร้างบ้านพักขึ้นในเวลาต่อมา พวกบรรดาชาวป่าและพานทั้งหลายที่ท่องเที่ยวผ่านไปพอเห็นดีด้วยก็จึงรวมหัวกันทยอยอพยพมาตั้งหลักแหล่งทาวอนกลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆขึ้นโดยยกย่องให้เขาเป็นนายบ้านด้วยความนับถือเคารพจากอัธยาศัยไม่ตีจิตและความเผื่อแผ่กว้างขวางของเขาพวกตะเวนป่าพื้นเมืองทั้งหลายจึงเต็มไปด้วยความรักใคร่เลื่อมใสไม่มีพรานหรือชาวบ้านป่าคนใดจะไม่รู้จักระพินภัยวัน ผู้มีฐานะไม่ผิดอะไรกับเจ้าพ่อแห่งดงดิบระพินเป็นที่หวังที่พึ่งอันอบอุ่นของคนเหล่านั้นตลอดเวลามาหนองน้ำแห้งและอาณาจักรป่าดงพงผีเท่าที่เท้าของพรานทั้งหลายในเขตนั้นจะเหยียบย่ำไปถึงจึงเปรียบเสมือนเป็นอาณาจักรของเขาเองคณะเดินป่าจากกรุงเทพถูกเชิญให้พำนักอยู่ในเดือนหลังใหญ่ ซึ่งสร้างด้วยสูงทั้งต้นคล่อมอยู่บนทารน้ําใสเล็กๆที่มีต้นทางมาจากขุนเขาใหญ่ภายใต้ร่มเงาของไทรยักษ์บรรยากาศรอบด้านสวยสดรื่นร่มไปด้วยธรรมชาติของป่าแท้จริงตัวเขาเองย้ายไปนอนอยู่ที่เรือนหลังเล็กที่ปลูกอยู่บนคาคบของไม้ใหญ่ไม่ห่างออกไปนะักโดยมีสะพานเชือกเชื่อมโยงกับเรือนใหญ่เดินไปมาหากันได้ จะมาร่วมในเรือนหลังใหญ่ด้วยก็เฉพาะเวลาสนทนาหารือและเวลาอาหารเท่านั้นและเวลาที่เขาจะมาร่วมวงรับประทานด้วยก็เฉพาะแต่ตอนค่ำเท่านั้นเช้าและเที่ยงเขาปล่อยให้คณะนายจ้างรับประทานกันตามลาพังโดยมอบหน้าที่จัดหาอาหารตลอดจนการรับใช้ปรนนิบัติให้แก่คนสนิทของเขายกเว้นแต่หม่อมราชวงศ์เชษฐาจะสั่งให้คนของเขาไปตามมาร่วมด้วย สองวันแรกภายหลังจากที่คณะของหม่อมราชวงศ์เชษฐาล่วงหน้ามาพำนักอยู่ที่หนองน้ำแห้งรถจีบบรรทุกของบริษัทไทยไวช์ไรส์โดยการเอื้อเฟื้ออย่างแข็งขันของนายอัมพลก็บรรทุกของอันเป็นสัมภาระอุปกรณ์และสเสบียงกลางต่างๆทยอยมาส่งให้เที่ยวแล้วเที่ยวเล่าระพินผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับของเริ่มจะอึดอัดใจอย่างไรพิกลสิ่งของเหล่านั้นส่วนมากเป็นของไม่จาเป็น มีปริมาณมากมายเกินความต้องการของผนเอนเทินทึกล้วนเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยอำนวยความสะดวกสบายซึ่งในทัศนะของพรานนักเดินป่าอาชีพอย่างเขาเห็นว่าไม่มีความจำเป็นอย่างใดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อาหารกระป๋องเป็นหลังๆวิสกี้บรันดีและเบียร์เป็นหีบหีบขึ้นไปจนกระทั่งเต็นท์และเตียงสนามตลอดจนเครื่องนอนต่างๆ มันนอกเหนือไปจากบัญชีของจาเป็นที่เขาสั่งให้นายอํมพลช่วยจัดทำให้โอ้โหอะไรกันนี่ของพวกนั้นกันไม่ได้สั่งเลยนี่วามันมาได้ยังไงพรานใหญ่ร้องออกมาขามวดคิ้วขณะที่พนักงานขับรถและคนงานของนายอํมพลช่วยกำลําเรียงของลงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับท่านผู้อำนวยการสั่งให้พวกผมขนมาคนงานที่คุ้นเคยดีกับขาหัวเราะยิงฟันตอบ รพินกับพิบตาปลิบ ป, ป, ปลีงุนงงนายพินคนขับรถจีบรรทุกคันนั้นก็เดินเข้ามาเอียงหน้ากระซิบ บ, บอกว่าของที่นอกเหนือไปจากบัญชีสั่งของคุณลพินเหล่านี้เป็นของที่คุณผู้หญิงคนสวยน้องสาวของหม่อมเชษฐาเธอจัดการสั่งทั้งนั้นแหละครับทีแรกผมก็ท้วงเลยว่าคุณลพินไม่ได้สั่งแต่ท่านผู้อำนวยการบอกให้พวกผมขนมาบอกว่ารายการสั่งเพิ่มเติ ม, เ, ตมเป็นคําสั่งของคุณผู้หญิงคนนั้น แล้วนายผินก็หัวเราะอย่าว่าแต่ไรเลยครับขนาดเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวของเธอก็เข้าไปตั้งสองหีเปลกใหญ่ๆแล้วคุณผู้ชายสองคนนั่นน่ะไม่เท่าไหร่หรอกเรื่องการจัดการสั่งของทั้งหลายเป็นของคุณผู้หญิงทั้งนั้นจอมพรานทำท่าเหมือนจะเป็นลมยกมือขึ้นกลุมขมับพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกตาขณะนั้นหม่อมราชวงศ์เชฐีฐาและชยยันก็เดินเข้ามาสมทบตรวจของ พอเห็นสิ่งของไม่จำเป็นอันเหลือเฟือต่างๆก็ทำหน้าเย้ง ง, งงไปหมดเหมือนกันพอดีกับที่เสียงตะโกนแจ้วแจ้วของหม่อมราชวงศ์ดาลินผู้ยืนอยู่บนระเบียงบ้านพักร้องสั่งคนงานให้ขนของเหล่านั้นลงด้วยความประมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งหีบเปลกเครื่องใช้ส่วนตัวของหล่อนสองใบาตายละวายายน้อยแกจะไปตั้งพระราชวังสารานกลางป่าหรื อ, อยังไชงชยานครางอุกมา เชิดฐาจุปากพร้อมกับโครงศีรษะช้าๆหันไปมองดูน้องสาวผู้ยืนมองอยู่บนระเบียงของบ้านพักปลูกสูงอยู่บนโขดหินใหญ่ถึงว่าสินึกแล้วไม่มีผิดว่าเด็กนี่คงจะต้องทำความยุ่งใหญ่ให้แก่พวกเราแล้วก็หันมาทางระพินหัวเราะได้จืดๆคุณระพินคงจะอึดอัดลำบากใจมากนะพรานใหญ่ยิ้มยิ้ม มองดูหม่อมราชวงศ์เชษฐาและชายยันด้วยดวงตาที่แจ่มใสเป็นประกายเขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมจึงมีความเลื่อมใสนิยมและถูกชะตากับสองชายผู้อยู่ในฐานะนายจ้างของเขาตั้งแต่แรกเห็นอย่างบอกไม่ถูกมีอะไรหลายต่อหลายอย่างของบุคคลทั้งสองที่กลมกลืนเข้ากันได้สนิทกับเขาทั้งเชษฐาและชายยันมีลักษณะเป็นชายชาตรีตามแบบฉบับรูปผู้ชายแท้แท้ด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักในชาวกรุงที่มีชีวิตอยู่อย่างหรูหราสะดวกสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เกิดมาในตระกูลสูงถ้าผมมีน้องสาวเพียงคนเดียวเหมือนอย่างคุณชายและเป็นน้องสาวที่รักพี่ชายอย่างที่สุดเหมือนคุณหญิงดาลินผมก็คิดว่าผมควรจะต้องรักและเอาใจใส่เธอเหมือนอย่างที่คุณชายมีความรู้สึกต่อคุณหญิงดาลินในขณะนี้เหมือนกันปล่อยเธอทาสบายเถอะครับอย่าขัดใจเธอเลย รพินพูดด้วยเสียงอ่อนโยนปนหัวเราะน้อยๆพอวันที่สรถบรรทุกจากบริษัทไทยไวส์ไรท์ก็มาส่งสัมภาระอีกเที่ยวหนึ่งเป็นพวกเครื่องเวชภัณฑ์หีบอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนแต่แล้วผ่านใหญ่รพินก็งุนงงไปอีกเมื่อมองเห็นเครื่องพิมพ์ดีดแบบกระเป๋าหิว้วกระเป๋าเอกสารที่บรรจุเครื่องเลืน และที่ทำให้เขาถึงกับอ้าปากค้างไปก็คือเครื่องเล่นจานเสียงสเตอริโอแบบกระเป๋าใช้ระบบทานซิสเตอร์และหีบจานเสียงอย่างไม่ทันที่เขาจะเ อ, อ่ยปากซักถามอะไรกับคนขับรถที่นำเอามาส่งหม่อมราชวงดารินก็ก้าวอาดอาดตรงเข้ามาที่รถบงการลำเลียงขนถ่ายด้วยตัวเองโดยไม่สนใจกับพรานใหญ่ผู้ยืนซอยเปลือกตาทีๆอยู่ก่อนแล้ว พวกเรามีใครเป็นนักประพันธ์อยู่ด้วยหรือครับเขาถามขึ้นเบาๆบุยปากไปที่เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องเขียนดาลินหันขวับมาโดยเร็วตวัดสายตาปราดตั้งแต่ศตีรษะจดปลายเท้าพูดแบบมะนาวหน้าแรงไม่มีใครเป็นนักประพันธ์หรอกมีแต่นักศึกษามนุษยวิทยาที่ทำวิทยานิพนธ์ค้างไว้อย่างมิเสร็จและในระหว่างเดินทางนักศึกษาคนนั้นจะทางานส่วนตัวต่อในเวลาว่าง ลูกจ้างผู้เป็นพรานนำทางก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องมาเกี่ยวอ๋อเขารากเสียงยาวหน้าตายอยู่ตามเดินมองไปที่เครื่องเล่นจานเสียงคุณชายเชิฐาหรือมิชนั้นก็คุณชายยันคงจะเป็นนักเพลงที่ขาดเสียงดนตรีไม่ได้ตางามของหม่อมราชวงศ์คนสวยเขียวปัดปรับเปลือกขึ้นมาในบัดนั้นตาเสือสมิงก็เห็นจะไม่คมหน้ากลัวเท่า สำหรับผ่านใหญ่อย่างระพินของผู้นี้มันเป็นของของฉันทั้งนั้นแหละทำไมคุณขัดข้องอะไรเหรอที่ฉันจะเอามันไปด้วยหรือว่าตัวคุณเองจะต้องมารับภาระบแบกหามไหนลองบอกมาสิในการที่เราจ้ายให้คุณนำทางครั้งนี้คุณกำหนดโคใต้ให้เรามีอะไรติดตัวไปได้บ้างหรือว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอยู่ในกฎข้อบังคับอะไรของคุณหล่อนพูดเร็วปือระพินภัยวันชิดเท้าตรงก้มศรีรษะให้ ผู้เสียงหนักแน่นแข็งแรงเหมือนพลทหารรายงานกับผู้บังคับบัญชาหาไม่ได้ครับผมกระผมกำลังจะเสนอความเห็นว่าถ้าเราได้โทรทัศน์อีกสักเครื่องและตู้เย็นอีกสักตู้ไปด้วยในการบุกรงดิบกันดานครั้งนี้คณะของเราคงจะมีความสุขไม่ใช่น้อยครับผมดารินหน้าแดงกำ่ำ จ้องตาเขาาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อแล้วก็อุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างฉุนเฉียวกระทืบเท้าสะบัดหน้าเดินผ่าขึ้นไปบนบ้านพักโดยเร็วระพีนเป่าลมภูออกจากปากมองตามหลังร่างงามที่ก้าวฉับฉับไปด้วยอารมณ์เดือดดาลเกลี้ยกาตุกปัดตุปปองนั้นพร้อมกับโครงศรีรษะช้าช้าคนขับรถของนายอัมพลและพนักงานขนของซึ่งยืนอยู่ที่นั่นด้วยพ่า ก, กันกลั้นหัวเราะจนหน้าแดง บางคนเลี่ยงไปบางอยู่หลังรถแล้วปล่อยกากงอหายหัวข้ามของวันนั้นเมื่อระพินขึ้นไปบนเรือนหลังใหญ่ในเวลาอาหารเป็นเวลาที่คณะนายจ้างของเขากําลังสาละวนอยู่กับการรื้อสัมภาระสิ่งของออกตรวจสอบเชิฐากับชัยยันง่วนอยู่กับไรเฟิลขนาดต่างๆที่งัดขึ้นมาจากหีบส่วนดารินนั่งทอดอารมณ์อยู่ที่เก้าอี้ไม้ยาวมือหนึ่งขี้บุรีอีกมือหนึ่งถือแก้วบรันดี เสียงเครื่องเล่นจานเสียงสเตอริโอดังอยู่แผ่วๆที่โต๊ะอาหารต่อได้ไม้แผ่นเดียวกลางห้องจุดคราวไปด้วยเทียนวายแดงแช่อยู่ในถังไม้หมกน้ำแข็งกับแกร้มสำหรับกินเล่นๆข้าวเวลาก่อนจะถึงเวลาอาหารแท้จริงมีทั้งจำพวกเนื้อสัตว์ป่าที่ปรุงในลักษณะต่างๆโดยฝีมือพ่อครัวบ้านป่าของเขาและพวกอาหารกระป๋องวางเรียงรายอยู่เต็ม คนใช้ชาวพื้นเมืองของเขาสามคนที่มอบไว้ให้สำหรับคอยดูแล ร, รับใช้ปฏิบัติแขกพิเศษหรือคณะนายจ้างพากันนั่งอยู่กับพื้นพวกนั้นกำลังชอบอกชอบใจอยู่กับเสียงเพลงจากจานเสียงเมื่อเขาก้าวเข้าไปและมองดูสภาพของห้องอาหารที่ถูกดัดแปลงขึ้นอย่างวิจิตรด้วยอาการตืน่นตื่นงงงเชษฐาและชายยันก็หันมาร้องทัก เป็นไงห้องใดนิ่งรูมในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยกลิ่นไอป่าดงพงพีของเราข้ามวันนี้ชายยันพูดขึ้นปนหัวเราะ อ, อย่างอารมณ์ร่าเริงโรแมนติกชวนเคลิ้มมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงเทียนวายแดงแล้วก็เซเรเนตเพลงนั้นพ่านใหญ่ตอบยิ้มยิ้มกราดสายตาไปรอบรอบและผ่านแวบไปที่หม่อมราชวงศ์หญิงดาลินเขาเพิ่งจะสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เอง หญิงสาวอยู่ในน้ากาวสีกรีบกุหลาบสดปล่อยผมสยายยาวผิดไปกว่าทุกวันลักษณะของหลอนอยู่ในสภาพปล่อยกายสบายอารมณ์เหมือนจะอยู่ในห้องอาหารในคฤหิฮาต ส, สมบูรณ์พูนสุขของหล่อนเองหล่อนคงอยู่ในอาการทอดอารมณ์เฉยเหมือนจะไม่เห็นว่าเขาได้ก้าวเข้ามาน้อยเขาเป็นคนจัดการขึ้นทั้งนั้นหม่อมราชวงเชิาบอก เขาบอกว่าค่ำวันนี้เขาจะขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงฉลองในการเซ็นสัญญายอมเป็นผู้นําทางของคุณหรือจะพูดในตรงที่สุดก็คือฉลองในการที่ชีวิตของเราทั้งหมดจะไปร่วมเผชิญกับเหตุการณ์ที่เรายังไม่สามารถทํานายได้ถูกในอนาคตเบื้องหน้าระพินเบิกตาตื่นเล็กน้อยหันไปทางดาลินผู้ไม่มองสบตาเขาแล้วก้มศรีรษะเป็นความการุณาหรือเกินครับคุณหญิงผมขอรับเชิญ น, นี้ด้วยความยินดี ชั น, นึกว่าฉันจะทำความรำคาญไม่พอใจให้คุณเสียอีกดาลินผู้ชายเยนพร้อมกับลุกขึ้นยืนรับยินหัวรอกขันขัน ข, นขยับเก้าอี้หัวโต๊ะให้กับหลอนหญิงสาวสุดกายลงนั่งพร้อมกับบอกขอบคุณเรียบเรียบหม่อมราชวงเชษฐานั่งที่หัวโตอีกด้านหนึ่งรับยินและชายยันนั่งตรงกันข้ามการร่วมรับประทานอาหารข้ามื้อ น, นั้นเต็มไปด้วยรสชาติอันน่าตื่นใจสำหรับสามชาย ผู้มีความรู้สึกเหมือนรู้จักสนิทสนมกันมานานระพินสุภาพอ่อนโยนและสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่ในฐานะลูกจ้างโดยไม่มีอะไรบกพร่องทั้งหมดสนทนากันไปพางเว้นดารินคนเดียวที่รับประทานอยู่เงียบๆขณะที่สามชายชนแก้วและดื่มให้แก่กันหล่อนก็ไม่ได้ร่วมด้วยเพียงแต่กรึงแก้วไวน์ในมือเฉยระพินชูแก้วขึ้นให้แก่หล่อนสำหรับคุณหญิงดาริน ผู้กรุณาเป็นช่อา้าเลี้ยงผมแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดหล่อนดูเหมือนจะเลิกคิ้วงามข้างหนึ่งขึ้นน้อยๆกระดกแก้วไวน์ขึ้นนิดๆแล้วจิบเซเรนตบทนี้เพาราะไพรมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรยากาศอย่างนี้เขาชวนหล่อนพูดอย่างเอาใจเพราะเห็นนั่งเฉยอยู่ตลอดเวลาอ๋อคุณเข้าใจคุณค่าของดนตรีเหมือนกันหรือดารินถามเรียบๆ ทานใหญ่แทบจะสำลักวายไม่เข้าซึ้งถึงนักหลอกครับเพราะสิ่งแวดล้อมในชีวิตอย่างผมทำให้ไม่มีโอกาสอภิรมกับมันนักผมเคยได้รับของขวัญจากคุณอัมพลชิ้นหนึ่งเป็นวิทยุฐานซิสเตอร์อย่างดีสำหรับเอาไว้ให้ผมนำติดตัวในเว ล, เวลาตะเวนป่าแต่น่าเสียดายเหลือเกินพวกช้างป่ามันช่วยกันกระทืบวิทยุของผมพังหมดตอนที่มันเข้ามาเยี่ยมแคมป์ผมในขณะที่ผมเปนั่งห้าง ตั้งแต่นั้นผมก็เลยไม่มีดนตรีฟังพี่ชายกับเพื่อนชายของรลอนหัวเราะคลึกคลื้นด้วยอาการพูดแบบหน้าตายของเขาแต่ดารินยากไกลหลังอาหารอันเป็นเวลาที่นั่งพักผ่อนอยู่กับกาแฟและบาลนตีหลอนก็หันมาถามเขาแทรกการสนทนาอื่นๆขึ้นว่าคุณรู้สึกว่าข้าของที่เราจะเอาติดไปด้วยเหล่านี้มากมายเกินกว่าจําเป็นหรือพรานใหญ่ทำหน้าตื่น หาไม่ได้เลยครับมหาราชินีในอินเดียหรือควีนอลิซาเบธเวลาเสด็จประพาสป่าพระ อ, องค์มีสัมภาระข้าวของที่จะโดยเสด็จด้วยตั้งมากมายก่กองมากกว่าคณะของเราหลายเท่านักทุกคนรู้ว่านั่นเป็นคำประชดแบบกึ่งสับย่อร้อเรียนโดยสุภาพของเขาหม่อมราชวงศ์เชษฐาชายยันหัวเราะด้วยอารมณ์สนุกหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยหน้าง้ม หล่อนวางเขาสอกลงกับโต๊ะเอาฝ่ามือรองรับคางไว้มองจ้องมายังเขาความจริงมันไม่น่าจะเป็นภาระอะไรที่น่าวิตกกังวลไปเลยงกประมาณการเดินทางครั้งนี้ระวางไว้อย่างไม่อั้นแล้วก็ควรจะถือรักความสะดวกสบายให้มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้คุณอาจหวัวเราะหรือนึกดูมิน่นชันในข้อที่ว่าฉันเป็นผู้หญิงไม่ร่วมคณะเดินทางไปด้วยฉันก็วุ่นวายจัดเตรียมอะไร ฉันนี่ที่ทำให้คุณดูเป็นการมโหรานเกินความจำเป็นไปแต่คุณลืมนึกไปซิว่าฉันเป็นคนรอบคอบและหวังดีต่อพวกเราทุกคนขอบอกให้ทราบสินหน่อยนะคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามฉันไม่ใช่ผู้หญิงประเภทผิวบางที่เหมือนผู้หญิงทั่วไปอย่างที่คุณคิดหรอกฉันเคยผ่านกับชีวิตกล้ า, ลาเหนื่อยยากลำเคนมาแล้วถึงจะไม่เก่งเท่าคุณก็ณใช่ว่าจะไม่เคยริมรถมันสิเลย ฉันเคยเดินป่ามาแล้วหลายแห่งที่ถือกันว่าเป็นป่าดุร้ายกันดานที่สุดไม่ว่าจะในแอฟริกาหรือดงดิบแถบอเมริกาใต้การศึกษามนุษยวิทยาของฉันบังคับฉันให้ต้องบุกบันเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะระแวงอยู่ในข้อที่ว่าฉันไม่เข้าใจชีวิตการเดินป่าแล้วก็คุณเข้าใจผิดมากโอ้โอรพินอุทานออกมาทาท่าตกใจ แต่รอนรู้ว่าเขาอยู่ในอาการร้อเรียนเช่นเดิมผมไม่ได้มีความคิดจะดูหมิ่นอะไรคุณหญิงเลยครับเป็นความสัตย์จริงแต่ผมเกรงไปว่าการศึกษามนุษยวิทยาของคุณหญิงกับการไป่ตู้ติดตามค้นหาคุณชายอนุชาครานี้มันอาจไม่เหมือนกันนักไม่เหมือนกันยังไงความหมายของการไปมันแตกต่างชัดอยู่แล้วนี่ครับคุณหญิง คุณหญิงเคยไปเพื่อการศึกษาก็คือไปเพื่อการศึกษาแต่ในคราวนี้เราไปเพื่อค้นหาบุคคลที่สาบสูญซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าจะพบเขาหรือไม่และไม่มีกำหนดการว่าเมื่อไหร่จะถึงจะสิ้นสุดการเดินทางของเราเท่าๆที่ยังถ่ายไม่ถูกทั้งสิ้นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างคุณหญิงเองก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าภายหลังที่จากที่ผมได้เซ็นสัญญาการนาทางฉบับนั้นเสร็จเรียบร้อย ผมก็ได้ทำพินัยกรรมขึ้นอีกฉบับหนึ่งมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่คุณแม่ของผมสิ่งนี้มันยืนยันชัดอยู่แล้วว่าผมหวังไว้น้อยหรือเกินว่าจะได้กลับมาเลี้ยงดูท่านอีกในการเดินทางครั้งนี้ทุกคนนิ่งงันกันไปอีกครั้งหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินขอนิ้วลงกับโต๊ะยิ้มมุมปากเอาเถอะเราจะไปตายหรือไปพบกับการวิบัติเช่นไรก็ตามอย่างคุณว่า ก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องทําให้เรารัดทิ้งความสะดวกสบายเท่าที่เราจะหาได้สิเลยมันเป็นความหมายว่าสิ่งของต่างๆที่ฉันตัดเตรียมมาและคุณเห็นว่ากิกระุงรังนี้ก็เพื่อจะเอาไว้ใช้ต่อสู้แบ่งเบากับความลำเคินทุรกันดาลในป่าให้บรรเทาลงเพื่อเราจะได้มีกําลังบุกบั่นกันต่อไปทําไมคุณไม่คิดอย่างนั้นบ้างคุณก็รับรองไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าลูกหาบของเราหาได้อย่างเหลือเฟือจะเอาสักเท่าไหร่ก็ได้ ่านใหญ่หัวเราะเบาๆจุดบุรีสูบเงียบไปครู่ก่อนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงทุม้มสุภาพราบเรียกว่าเอาละครับผมจะได้ขอถือโอกาสนี้เรียนให้ทราบชัดถึงการเดินทางของเราสีทีถูกแล้วครับลูกหาบและเกวียนเทียมควายที่จะบรรทุกสัมภาระสิ่งของซึ่งเราจะเอาไปด้วยจะหาสักกี่ร้อยก็ได้แต่มันหมายความถึงว่าคนและกองเกวียนอันเป็นคารวานของเราเหล่านั้น จะช่วยเราได้เพียงแค่ระยะทางที่เราถึงหล่มช้างเท่านั้นต่อจากนั้นพวกเราจะต้องเดินทางกันไปเองพร้อมกับคนเก่าคนแก่ของผมโดยเฉพาะอีกเพียงสี่คนซึ่งพร้อมที่จะร่วมตายกับเราได้ว่าอันที่จริงผมก็ได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเกลี้ยกล่อมให้พวกลูกหาบเหล่านั้นเดินทางกับเราไปด้วยจนถึงขีดสุดแต่ไม่ว่าจะจ้างเขาด้วยเงินจานวนสูงสักเท่าไหร่ ก็ไม่มีใครเอาสักคนพวกเขารู้จุดหมายว่าเราจะมุ่งหน้าไปยังเทือกเขาพระศิวะซึ่งเขาถือกันว่าเป็นแดนมรณะแล้วก็เมื่อถ้าจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียแล้วเช่นนั้นตามความรู้สึกนึกคิดและเชื่อมั่นของเขาเขาก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมาหวังค่าจ้างอยู่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคุณหญิงเพราะฉะนั้นสัมภาระต่างๆที่คุณหญิงตัดเตรียมไว้อย่างมากมายเหล่านี้ เราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้ก็แค่เพียงระยะทางที่เราจะเดินไปถึงหล่มช้างเท่านั้นต่อจากนั้นเราต้องเดินทางกันด้วยเท้าเปล่าตามลำพังและสิ่งที่จะติดตัวไปได้ก็เพียงแต่เท่าที่กำลังของเราจะเอาไปได้เท่านั้นเขาหยุดหัวเราะเบาๆอีกครั้งมองประสานตาดำครับที่จ้องนิ่งมาของหล่อนกล่าวต่อมาว่าการเดินป่าเพื่อศึกษามานุษยวิทยาของคุณหญิง กับการเดินทางพืตามหาคุณชายอนุชามันผิดการชัดๆอีตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณหญิงที่จะตัดสินใจให้ดีว่าเลิกกลม้มความตั้งใจเดิมเสียหรือว่ายังจะคิดไปลำบากยากแค้นกับพวกเราชนิดที่เปล่าประโยชน์รู้สึกว่าคุณพยายามจะขู่ฉันเสียลเกินนะหรอนพูดเบาๆยิ้มด้วยอาการฝืนไม่ได้ขู่เลยครับแต่ผมเรียนด้วยความสัตย์จริง เหมือนอย่างที่เรียนไว้แล้วแต่แรกก็เหมือนกันนั่นแหละอย่างที่ฉันบอกคุณไว้แต่แรกเช่นกันไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนความตั้งใจของฉันสิษษษษได้คุณเดินฉันก็เดินไปคุณคลานฉันก็คลานคุณทำอะไรฉันก็ทำไม่นั่นเข้าใจหรื อ, อยังเข้าใจแล้วครับก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปสิทีและก็ขอให้แน่ใจเสียทีว่า ตั้งแต่คุณเกิดมาคุณคงจะไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนดื้ยรั้นเอาแต่ใจตัวเท่ากับสุภาพสตรีผู้นี้ชัยยันเสริมมาหน้าตาเฉยดาลินหันไปมองค้อนเพื่อนชายจนตาควา่ำขยับแอปเปลิลในมือขึ้นทำท่าเหมือนจะคว้างเพื่อนชายร้องร่นตั้งท่าหลบบนโต๊ะมีบรรยากาศเคล้นเกรงขึ้นอีกในสายตาของรพินครั้งแรกที่เขามองเห็นชัยยันและหม่อมราชวงศ์หญิงดาลิน เขาคิดว่าคนทั้งสองน่าจะเป็นกูรักกันแต่แล้วเมื่อดูๆไปก็รู้แน่ว่าหนุ่มสาวทั้งสองเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันไม่ผิดอะไรกับเพื่อนชายมีแต่สัมพันธ์ฉันเพื่อนรักหรือมิฉานั้นก็พี่น้องอันเนื่องมาจากครุกคลีกันมาแต่เล็กแต่น้อยเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะเอ็นเอียงไปในด้านชู้สาวเลยแม้แต่น้อยชายยันเป็นคนมีอารมณ์สนุกล่าเลองอยู่ตลอดเวลา และช่างแย่เท่าเท่ากับที่ดารินก็ขี้งอนโมโหง่ายบางคณะทั้งสองทะเลาะกันเหมือนเด็กๆที่หล่มช้างนี่ใช่ไหมที่คุณได้ข่าวว่านุชาทิ้งเกวียนของเขาที่นั่นและเดินทางบุกบั่นต่อไปพร้อมกับพานพื้นเมืองอันเป็นคนใช้ของเขาที่ชื่อหนานอินหม่อมราชวง์เชิดถาถามขึ้นด้วยเสียงเข้่งขึมครับที่นี่แหละเป็นแหล่งสุดท้ายเหมือนอย่างที่ผมเรียนแล้วว่า เราจะทิ้งสัมภาระไม่จำเป็นของเราทั้งหมดไว้ที่นั่นคุณชายอนุชาจำต้องละเกวียนและเดินทางไปตามลำพังกับคนใช้ร่วมตายก็เพราะเหตุผลที่เรียนแล้วคือไม่มีใครที่จะยอมสมัครร่วมทางไปด้วยเราจะใช้ระยะเวลาเดินทางสักกี่วันถึงจะถึงล่มช้างชายยานหันมาถามขึ้นบ้างน้ำเสียงจริงจังเป็นงานเป็นการขึ้นประมาณสองอาทิตย์ครับ แล้วต่อจากนั้นดารินเอ่ยขึ้นลอยๆขณะที่ใช้เล็บขีดโต๊ะเล่นสวร์เท่านั้นที่จะรู้ได้หม่อมราชวงศ์เชษฐาจุดกล้องรู้สึกว่าเขาจะใช้ความคิดอย่างหนักดวงตามแผนคุณบอกไว้ว่าเราจะใช้คนอาสาสมัครร่วมตายกับเราห้าคนเดินทางไปด้วยไม่ใช่หรือภายหลังจากออกจากกล่มช้างครับ หาได้ครบแล้วหรื อ, อยังเราได้มาแล้วสี่คนครับเป็นพานพื้นเมืองมือดีที่เคยร่วมเดินป่ารู้เห็นนิสัยและฝีมือพอจะไว้วางใจได้พวกเขาอาสาสมัครอย่างเต็มใจเพราะรักใคร่นับถือผมยังขาดอยู่เพียงคนเดียวผมประกาศหาไปในหมู่พวกเขาหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครมาสมัครคงมีอยู่แค่สี่คนเท่านั้น แต่เราก็จะไม่รออีกแล้วเมื่อถึงกำหนดเริ่มเดินทางเราจะออกเดินทางทันทีถึงแม้จะขาดไปคนหนึ่งตามแผนที่เรากำหนดไว้เดิมก็ช่างมันว่าแล้วระพินก็โผล่หน้าต่างออกไปตะโกนสั่งอะไรกับคนของเขาโวกเวกเป็นภาษาพื้นเมืองครู่เดียวชาวบ้านป่าสี่คนก็เดินขึ้นมาบนเรือนต่างสุดกายลงกับพื้นและพนมมือไหว้คณะเดินป่าชาวกรุงทั้งสแล้วนั่งสงบเสงี่ยมอยู่ นี่ยังไงระครบสี่คนที่จะไปกับเราด้วยจนถึงที่สุดพรานใหญ่แนะนำเป็นรายตัวให้คณะนายจ้างของเขารู้จักบุญคาเป็นชายร่างผอมสูงอายุประมาณห้าสิบห้าปีเซยเป็นกะเหรี่ยงล่ำสันแข็งแรงดูกแกล่งไปทั้งตัวอายุอยู่ในวัยชะกันจันตัวเรกนิดเดียวเคี้ยวใบกระท่อมอยู่ตลอดเวลา แต่ผิวพรรณและท่าทีบอกชัดว่าชำนาญต่อ ง, งานกลากกลําเพียงไรและเกิดเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างชะลูดอ่อนแอนแต่เหี้ยมหารบึกบุนทุกคนมองดูผ่านพื้นเมืองอาส า, าสมัครเหล่านั้นด้วยความพอใจพูดจาทักทายด้วยรู๊หนึ่งแล้วพินก็พยักหน้าบอกให้คนเหล่านั้นออกไปได้ระยะทางก่อนที่เราจะไปถึงหล่มช้างถ้าหากเราจะคิดล่าสัตว์ไปด้วยก็จะทาได้อย่างเต็มที่ครับ ผานใหญ่อธิบายต่อผมรับรองว่ามีสัตว์จะให้ล่าทุกชนิดนับตั้งแต่เล็กสุดไปจนกระทั่งใหญ่สุดความจริงระยะทางระหว่างนี้ก็เป็นป่าลึกและถ้าไม่ชำนาญลู้ทางมาก่อนก็ไม่มีหวังจะไปถึงหลมช้างได้นอกจากจะหลงเสียก่อนเราจะสนุกสนานกันอย่างเต็มที่และได้ใช้ประโยชน์ในสัมภาระสิ่งของที่คุณหญิงตัดเตรียมมาอย่างเต็มที่ด้วย เพราะมีคาราวานเกวียนควายไปกับเราอย่างอบอุ่นคับข้างระยะทางตอนนี้จะเป็นการพักผ่อนเที่ยวป่าไปในตัวแต่ภายหลังจากเริ่มต้นเดินทางที่หล่มช้างความหมายในการเดินทางของพวกเราจะเปลี่ยนไปในอีกลักษณะหนึ่งทันทีของทุกอย่างเราจะฝากไว้กับหัวหน้ากะเหลี่ยงที่หล่มช้างพวกลูกหาบก็จะเดินทางกลับและเราเดินทางต่อไปด้วยสัมภาระจําเป็นเท่าที่จะนําติดตัวไปได้เท่านั้นอย่างที่เรียนแล้ว เพราะถ้าเราขนมันไปด้วยมากเท่าไหร่ก็เท่ากับเราแบกน้ำหนักเพิ่มขึ้นเท่านั้นเราพอจะเอาเกวียนไปด้วยสักคันหนึ่งและเราควบคุมเองไม่ได้หรือครับเมื่อออกจากงะลมช้าชายยันเสนอความเห็นจอมพลานยิ้ม น, นิดนิดสันศีสระเห็นจะไม่มีหวังหรอกครับถ้าทำได้คุณชายอนุชาก็คงจะทำเสียก่อนแล้วเกวียนต้องใช้ควายเทียม และระยะทางที่เราจะเดินกันต่อไปหลังจากจุดหมายปลายทางสุดท้ายควายจะต้องตายเพราะขาดน้ำและความธุระ ก, กันดารภายในไม่เกินเจดวันอีกอย่างหนึ่งเราต้องปีนภูเขาด้วยเกวียนควายไม่สามารถจะตามไปได้ขืนเอาไปก็ปลาประโยชน์ต้องไปทิ้งเกียนสีกลางทางพร้อมกับพูดจบและพินก็คลี่แผนที่ออกให้ทุกคนดูนี่ยังไงครับเป็นแผนที่ซึ่งมังมหานรธาเขียนไว เมื่อเกือบ400ปีก่อนนู้นเราจะเริ่มใช้แผนที่นี้ตั้งแต่เริ่มออกจากกลุ่มช้างอาจเรียกว่าหลับตาเดินไปในความมืดก็ได้ทั้งหมดเข้ามาดูแลพินอธิบายจุดหมายในแผนที่ให้ทราบคร่าวๆก็น่าชมเหมือนกันนะในการที่เราจะใช้แผนที่ึ้่เขียนขึ้นจากมือของคนสมัย400ปีก่อนเป็นเครื่องนำทางดารินคลางออกมา ถึงอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งแผนที่อันนี้แน่ๆแม้จะเป็นการเสี่ยงขนาดไหนชยันว่าภายหลังจากเพ่งพิดแผนที่ฉบับคล่ำลานั้นผมเชื่อถึง 90% เอร์เซน์ว่าจะอย่างไรเสียมันก็ต้องมีเขามาจากความจริงหม่อมราชวงศ์เชื่ถาพึ่มพำอัดควันไปลึกแล้วปล่อยให้ระบายออกมาทางช่องจมูกเป็นทางยาวหน้าเครียดขึม ลักษณะของป่าอาดเปลี่ยนแปลงไปได้ในระยะเวลา400ปีแต่ผู้ภูเขาก็จะต้องอยู่ในรูปลักษณะเดิมเชื่อว่าพอจะคาได้ถูกเอาละลราพับแผนที่นี้เก็บไว้เสียก่อนมานี่น่าคุณละพินมาดูปืนกันดีกว่าผมขนมาจากกรุงเทพยัยงเหลือเฟือทีเดียวและต้องขอความเห็นความแนะนำจากคุณบ้างในฐานะที่คุณเดินป่ามานาน เชษฐาจุดแขนและปิดให้ตรงไปที่หีบหลังปืนขนาดต่างๆอันวางอยู่มุมห้องอย่างกระตือรือร้นชายยันระดาลินเดินตามมาด้วยเชษฐาหยิบปนืนขึ้นมาส่งให้พรานใหญ่ดูทีรักบอกเขารับมาดูอย่างสนใจออกปากชมอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไรเฟิลแฟดขนาดจดหกศในโตซรซึ่งด้ามและพานท้ายปืนแกะสลักไว้อย่างวิจิตรการตา น่าจะเป็นปืนตั้งโชว์เสียมากกว่าที่จะเอามาใช้สมบุกสมบันในป่าเป็นไงในพานคุณเคยยิงปืนขนาดนี้ไหมดารินถามยิ้มยิ้มขณะที่เห็นเขารูปคําอยู่อย่างพออกพอใจเดีาวว่าแต่เคยยิงเลยครับตัวจริงของผมตัวจริงของมันผมก็เพิ่งเคยเห็นเคยแตะต้องครั้งนี้เป็นครั้งแรกนอกเหนือไปจากการเห็นในแคตตาล็อก ยอมพานตอบอย่างสงบยกขึ้นส่องดูศูนย์ลองดูสักนิดสิแล้วคุณจะรู้ว่าไดาโนเสาร์ถ้ายังมีเหลืออยู่ก็ล้มทั้งยืนไม่หรอกครับผมกลัวว่าตัวผมเองจะถูกอำนาจสะท้อนถอยหลังของมันถี่พล้มลงซิีก่อนที่ไดโนเสาร์จะล้มรผินพูดยิ้มยิ้มแล้วก็เปลี่ยนไปหยิบจุดสีห้แดแอฟริกันแม็กนัมขึ้นมากระชากลูกเลื่อนทดลองดู ก็พึมพำต่อไปว่าให้ตายสิผมเห็นคางปืนของคุณชายแล้วตื่นเต้นเสียกว่าที่จะได้เห็นขุมเพชรพระอุมาซสอีกมันน่ารักไปเสียทุกกระบอกและคนอย่างผมก็คงไม่มีปัญญาจะหามันมาเป็นสมบัติได้แต่น่าเสียดายเหลือเกินถ้าเราขนมันไปหมดก็ต้องแปลว่าเราต้องอเอามันไปทิ้งไว้ชั่วคราวที่หล่มช้างซึ่งยังไม่รู้แน่เลยว่าจะได้กลับมาเอามันคืนไปหรือเปล่า ตามปกติคุณใช้ปืนขนาดและชนิดไหนเป็นปืนประจำมือในเวลาเข้าป่าเชฐาถามสำหรับคนอื่นผมไม่ทราบนะครับแต่สำหรับผมเองผมใช้ปืนอยู่เพียงสามชนิดเท่านั้นชนิดหนึ่งคือลูกซองสำหรับเก็บสัตว์เล็กสัตว์หนังอ่อนบางจำพวกและสำหรับนั่งห้างนั่งห้างในเวลากลางคืนซึ่งใช้โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยศูนย์ ชนิดที่สองก็ไรเฟิลขนาด 30-06 ซึ่งใช้โดยสถานการณ์ทั่วไปแต่ถ้าช้างมันกวนหรือต้องการจะตามรอยกระทิงผมก็ใช้ .375 S&H Magnum ซึ่งมันก็เหลือเฟือแล้วปืนของผมก็เป็นปืนตลาดพื้นๆธรรมดาราคาถูกไม่พิเศษมีรวดลายสวยงามเหมือนปืนที่คุณชายขนมาเหล่านี้ คุณใช้จุ 75, ดสมเจ็ดห้าล่อช้างกับกระทิงชายยันอุทานออกมาลืมตาโตโอ้โหมันไม่เสี่ยงไปหน่อยเลอมันอาจเสี่ยงไปหน่อยครับสำหรับพานสมัครเล่นแต่สำหรับพานอาชีพอย่างผมถึงเสี่ยงยังไงผมก็ต้องยอมเพราะผมไม่มีปัญญาที่จะไปหาปืนที่มีขนาดใหญ่อนุภาพดีไปกว่านี้ได้มันเกี่ยวกับทุนนัดซั คำตอบที่เต็มไปด้วยการถ่อมตัวอย่างสุภาพของเขาทำให้ทุกคนหัวเราะดารินตวัดหางตาอย่างไม่ไวายหมั่นไส้ไม่ใช่งั้นกระมังมันอาจเป็นเพราะคุณถือว่ามืออย่างคุณยิงนัดเดียวต้องอยู่ถึงได้กล้าใช้ปืนแคดเบอร์ขนาดกลางล่าสัตว์ขนาดใหญ่แต่สำหรับพวกเราอย่างน้อยที่สุด ถ้าเจอช้างหรือกระทิงก็ต้องขอถือไอกระบอกที่มีลำกล้องโตๆโตโตไว้ก่อนแม้ว่าเราจะไม่ได้ยิงมันก็ตามหล่อนพูดยอะๆแล้วหินยิ้มเฉยเสียชายยันก็เอ่ยมาว่าใช่มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละสัตว์ทุกชนิดลงถ้ายิงเข้าที่สำคัญได้ทุกนัดเหมือนสั่งปัญหาเรื่องปืนเล็กปืนโตก็ไม่มีความหมายข้อนี้ผมแน่ใจ เพราะวันนั้นเราเห็นคุณละเพียนยิงไอ้ดำที่สนานีกากศาสตร์ของคุณอำพลมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณคงจะไม่หัวเราะเรานะหากเห็นผมกับเชิฐถาเลือกเอาพวกดับเบิลไลเฟิเรายอมรับว่าเราไม่ชำนาญเท่าคุณและก็ออกจากขี้ขลาดอยู่สักหน่อยขอเลือกวิธีปลอดภัยไว้ก่อนแต่ต่อให้จุดหกศูนย์ูนย์ในโตเอ็กซ์เพรสกระบอกนี้ ถ้าแกกะยิงหัวช้างแต่ไปถูกหางมันก็มีช่วยให้แกรอดจากการถูกช้างกระทืบได้จริงไหมคุณละพินเชษฐาแย้งมาหน้าตายทุกคนหัวเราะขึ้นอีกว่าอันที่จริงถ้าจะพิจารณาถึงพื้นภูมิประเทศป่าในบ้านของเราที่เป็นดงทึบชนิดที่เรายิงสัตว์ใหญ่กันในระยะแทบจะประชิดตัวกันแล้วผมมีความเห็นด้วยครับว่าปืนไรเฟิลแฟร ที่มีขนาดใหญ่จะให้ผลมากทีเดียวเท่าที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลานั้นเราพบช้างห่างจากตัวเราในระยะแทบจะเรียกว่าเผาขนคือพอโผล่ซุ้มไม้ก็เห็นยืนขวางทางอยู่ตรงหน้าแล้วในกรณีนี้ดับเบิลไรเฟิขนาดใหญ่ให้ความเชื่อมั่นและปลอดภัยกับเราที่สุดแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันคือถ้าสองนัดในรำกล้องที่บรรจุไว้ไม่สามารถจะหยุดมันลงได้โดยฉียบขาด โอกาสซ้ำของเราจะไม่มีเหลืออยู่เลยแต่ถ้าเป็นปืนแบบไบแอคชั่นหรือลูกเลื่อนซึ่งบรรจุกระสุนได้มากกว่าถึงแม้จะมีขนาดย่อมกว่าหน่อยเราก็สามารถจะยิงซ้ำได้ในวงกระสุนที่มากกว่านั้นก็ดีและเสียไปคนละอย่างจะให้ประเสริฐสุดแล้วก็เราควรจะมีปืนทุกขนาดไปด้วยและเลือกใช้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์แต่ละครั้งปัญหามันก็มีเพียงแต่เพียงว่า เราจะมีปัญญาหอบมันไปได้หมดหรือเปล่าเท่านั้นเป็นอันว่าเราขนไปให้หมดก็แล้วกันในระยะทางที่ก่อนจะถึงลมช้างจะได้ล่าสัตว์กันให้สนุกหลังจากนั้นแล้วเราค่อยมาพิจารณาเลือกกันอีกครั้งว่าเราจะใช้ปืนขนาดไหนเป็นปืนประจามือในการเดินทางมหาวิบากของเราชายยันลงความเห็นเชษฐาและดาดินก็เห็นพ้องด้วยจอมพรานไม่คัดง้างหรือสนับสนุนเช่นไร เพียงแต่บ่นว่าเขาเสียดายที่ปืนเหล่านั้นจะต้องนำไปฝากไว้ที่ร่มช้างไม่สามารถจะนำติดตัวไปด้วยได้ทั้งหมดซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าจะสูญหายอย่างใดหรือไม่ในเมื่อกลับมาแต่คณะนายจ้างของเขาทั้งหมดไม่แสดงความกังวลในข้อนั้นในการเดินป่าคุณใช้ปืนสั้นติดตัวไปด้วยหรือเปล่าผู้ถามคือชายยันขณะที่งัดอีกหีบหนึ่งซึ่งเป็นหีบและเครื่องกระสุนปืนสั้นโดยเฉพาะ ไม่เลยครับมันไม่จำเป็นสำหรับผมผมมีแต่มีเดินป่าเท่านั้นแต่ถ้าพวกคุณเตรียมปืนสั้นมาด้วยในการเดินทางครั้งนี้ผมก็ขอสนับสนุนและเห็นด้วยว่าควรจะมีติดตัวในการออกเดินทางจากกลุ่มช้างชัยยานงัดเอาปืนสั้นขนาดจุด44แม็กนัมแบบซิงเกิลแอคชั่นขึ้นมา3กระบอกเป็นขนาดที่มีลำกล้องยาวหกนิ้วและมีขนาดจุดสห้อยู่กระบอกหนึ่ง กระทัดรักสวยงามซึ่งรพินคิดว่ามันน่าจะเป็นปืนสั้นติดตัวของหม่อมราชวงศ์เชษฐาเมื่อชัยยันส่งมาให้เขาก็รับมาชมอย่างคนที่มีนิสัยรักปืนทั้งหลายผมเตรียมมาสำหรับพวกเราโดยเฉพาะชัยยันบอกจุด357กระบอกนั้นเป็นของดารินเขาถนัดมันมากผมเองกับเชษฐาอันที่จริงก็ไม่ใช่นักยิงปืนสัน้นชั้นดีอะไรนัก ที่ติดมาด้วยก็คิดว่ามันอาจช่วยเราได้ในนาทีคับขันที่สุดสำหรับคุณที่ถามเมื่อกินนี้ก็ต้องการทราบว่าคุณใช้ปืนสั้นเป็นประจาหรือเปล่าถ้ามีอยู่ก่อนแล้วและเป็นปืนที่ถนัดมือคุณก็แล้วไปแต่ถ้ายังหวังว่าคุณคงจะไม่รังเกียจที่จะรับเอาจุดสี่สี่ไปซักกระบอกหนึ่งเราทั้งหมดเตรียมมาสาหรับเป็นของขวัญแก่คุณโอเป็นพระคุณอย่างสูงทีเดียวครับเขา อ, อุทานออกมาเบาเ มองไปยังคณะนายจ้างทุกคนด้วยสายตาแสดงความขอบคุณรับปืนสั้นกระบอกหนึ่งมาดอะช่างน้ำหนักในมือแล้วง้างนกในจังหวะฟรีหมุนลูกโม่เล่นเชษฐาส่งกล่องลูกปืนมาให้คุณลองดูก็ได้นี่ตามทฤษฎีเขาบอกไว้ว่าถ้าเกิดความจำเป็นขึ้นมาจริงๆจุด44 m a g u m สามารถที่จะหยุดสัตว์ใหญ่ที่มันช้าสวนเข้ามาได้โดยอนุภาพขนาดน้องน้องไรเฟิลทีเดียว แต่ผมเองก็ยังไม่กล้ารับรองทฤษฎีนี้ติดตัวมาด้วยก็เพื่อจะให้อบอุ่นใจปลอบขวัญตัวเองเท่านั้นในกรณีที่ถ้าลเฟิ้นมันหลุดไปจากมืออย่างน้อยเราก็ไม่ถึงกับมือเปล่านักจอมพารานหัวเราอหึอห่ในลำคอแกะกล่องกระสุนออกหยิบลูกขึ้นมาบรรจุใส่รังเพลิงทีรนัดจนครบแล้วคว้าไฟฉายลาสัตว์ขนาดแดท่อนสองาดออกไปทางหน้าตาทุกคนเข้ามายืนมุง ดารินยิ้มหยันหยันเดินกอดอกเข้ามาดูอยู่ด้วยแล้วีนสายกราดไปมาแล้วส่องจับไปยังลูกมะขิดป่าที่ห้อยระยะอยู่บนต้นสูงใหญ่ห่างออกไปประมาณ25ห้าหลาง้างนกขึ้นช้าช้าส่องปืนออกไปปืนสั้นไม่เหมือนปืนยาวนาในพรานแต่ได้ข่าวว่าคุณเคยเป็นนายตำรวจตะเวนชายแดนมาก่อนไม่ใช่หรือ เสียงใสของดาลินดังขัดขึ้นรพินช ง, งักคู่ปรับคนสวยของเขาเล่นงานเขาเข้าให้อีกแล้วร้ายเสียจริงๆหม่อมราชวงศ์หญิงคนนี้เขาคิดจอมพรานยิ้มเล่งต่อไปแล้วลั่นไกเสียงของมันแผดระเบิดกึกก้องร้าวแก้วหูท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าดงพงปีที่แวดล้อมอยู่มะรวิดรลูกที่เขาเลงยิงไม่ได้สะดุ้งสะเทือนเลยเร็ว เสียงหวานสายร้องขึ้นเบาๆยั่วเขาโดยเจตนาระพินเร็งอีกและปล่อยกระสุนออกไปอีกอย่างเช่มช้าทั้งสามนัดต่อมามันไม่ได้เข้าเป้าหมายเลยพรานหนุ่มหัวเราะออกมาพร้อมกับโครงศีรษะเชิดาชาัยยันตกไหลเขายิ้มๆแต่ดารินพูดรลอยๆมาอีกว่าศิละปะการยิงปืนยาวกับปืนสั้นมันไม่ยักเหมือนกันนะคุณตัดสินถูกแล้ว ที่ใช้มีดเดินป่าแทนปืนสั้นติดตัวเขาไม่ได้ตอบคำใดๆทั้งสิ้นนอกจากหัวเราะพร้อมกับพูดดาลินคว้าจุดของหลอนขึ้นมาบรรจุกระสุนหัวเราะเห็นฟันขาวสะอาดเป็นระเบียบงามแล้วก็พยักหน้าไหนสองไฟเหมือนอย่างตะกี้อีกทีสิรัพินคงยิ้มอยู่เช่นนั้นสองไฟให้จับไปที่รูปมะขดรูปเดิม ดาลินช้ำเรลืองหางตามองดูเขารู้สึกคล้ายๆกับว่าหล่อนจะย่นหน้าให้นิดหนึ่งแล้วสะบัดหน้าไปทางเป้าเส้นผมสยายปลิวกระจายหล่อนยกปืนขึ้นเปรี่ยงเมฆหิดรูกนั้นกระจายแวบเป็นสะเก็ดเห็นชัดในแสงไฟและโยนตัวห้อยแกว่งอยู่ไปมาด้วยอำนาจของกระสุนที่เจาะผ่านไปอีกห้าเปรี่ยงที่หล่อนปล่อยติดต่อกันออกไปเข้าเป้าหมายทุกนัด และนดสุดท้ายมะขิดลูกนั้นถูกปิดออกจากขั้วร่วงหายลงไปเบื้องล่างแล้วหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยก็วางปืนลงกับโต๊ะช้าๆหันมามองดูหน้าจอมพรานพรางเดินไปทิ้งตัวนั่งขว่ายห้างอยู่ที่เก้าอี้ยาวตัวเดิมทอดแขนทั้งสองข้างกลางโอบไปตามพนักพิงทำเป็นเอียงหน้าขึ้นมองดูเปลวเทียนซึ่งจุดอยู่บนเชิงเทินข้างๆเฉยเอาลิ้นดุนแก้ม ระพินไพรวันชิดเท้าตรงก้มลงโค้งคำนับให้รอนอย่างงดงามที่สุดเป็นเครื่องหมายยอมแพ้เชษดถาบนอะไรน้องสาวพึมพำเดินมารินบรันดีดื่มแต่ชายยันเอียงหน้าเข้ามากระซิบกับจอมพานเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วที่คุณยกให้ยยน้อยสิคนถ้าคุณขืนแข็งแล้วก็แม่เหี้ยวไม่มีที่สิ้นสุดหรอก ขนาดทําอะไรใครไม่ได้เลยนอนดิ้นปัดปั ด, ปดร้องไห้กรีดกรๆก็เอาแกขม่นคุณเรื่องที่คุณพยายามทักท้วงไม่ให้แก่ไปด้วยนั่นแหละยอๆเอาใจซินหน่อยเดี๋ยวก็ดีเองนิสัยของน้อยเป็นงี้เองความเป็นผู้หญิงกับผู้ชายปนอยู่ในตัวแกอย่างละครึ่งอะไรอะไรก็ดีพร้อมเสียอย่างเดียวขี้เอาแต่ใจตัวเองผมไม่ได้ยิกแกล้งยกให้หรอกครับผมยิงปืนสั้นสู้คุณหญิงไม่ได้จริงๆ จอมพรานกระซิบตอบอดีตนายพันตีหนุ่มตบหลังเขาโดยแรงหัวเราะกากโธคุณระพินคุณหลอกใยน้อยได้สำเร็จนะดีแล้วแต่อย่ามาหลอกผมกับเชษฐานหน่อยเลยเรามันผู้ชายด้วยกันตามทันกันหลอกนะ่ะข้าของวันรุ่งขึ้นมันเป็นอาหารเย็นร่วมกันมื้อสุดท้ายที่จะมีขึ้นได้นะบ้านพักหนองน้ำแห้งของพรานใหญ่ระพิน ทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินทางได้ถูกตัดเตรียมพร้อมสั์แล้วกำหนดเริ่มต้นออกเดินทางคือย่ำรุ่งของวันรุ่งขึ้นระหว่างที่ทุกคนนั่งจิบกาแฟสนทนากันภายหลังจากอาหารข้ามได้ผ่านไปแล้วบุญคำพรานพื้นเมืองอาวุโสมือขวาคนสนิทของระพินอันเป็นคนหนึ่งในจำนวนสี่คนที่จะเดินทางร่วมเป็นร่วมตายไปด้วยก็ขึ้นมารายงานว่า มีเกรี่ยงต่างถิ่นแปลกหน้าคนหนึ่งจะเข้ามาขอพบเขาใครระพินขมวดคิ้วถามต่ตําๆไม่ทราบครับพวกเราไม่เคยมีใครเห็นมันมาก่อนเป็นคนหนุ่มมาคนเดียวครับคนเดียวบอกหรือเปล่าว่ามีธุระอะไรผมถามมันแล้วครับมันบอกแต่เพียงมันจะมาขอพบเจ้านายอ๋อมันเรียกเจ้านายว่าผู้กอง ระพินยิงงงจัดใครก็ตามที่เรียกเขาว่าผู้กองอันเป็นตำแหน่งเดิมของเขาในขณะที่ยังรับจัดการเป็นนายตำรวจตะเวนชายแดนก็ย่อมแสดงว่าบุคคลพูดนั้นรู้จักอดีตเขามาอย่างดีโดยปกติแล้วผ่านพื้นบ้านทั่วไปไม่เคยเรียกเขาเช่นนี้เลยเขาอาจมีธุระสำคัญอะไรกับคุณก็ได้หม่อมราชวงเชิดาพูดขึ้นเบาๆจอมพรานพยักหน้ากับคนของเขาบอกว่า ให้เขาขึ้นมาบนนี้สิบุญคําบุญคํารับคําและผ่าลงไปเพียงอึดใจเดียวก็นำร่างของใครคนหนึ่งก้าวเข้าประตูห้องมาสายตาของรพิน์และทุกคนมองไปยังร่างนั้นเป็นเป้าหมายเดียวกันสูงต่า ง, งานขนาดเกือบ6กฟุตผิวเป็นสีทองแดงตาใหญ่คมกริบในกรอบลึกเป็นประกายสดใสผมหยิกหยักโศกยาวปลุกไายทอย ระพีนไพวันจ้องที่ร่างนั้นอย่างพินิดเขาบอกกับตนเองว่าเขาไม่เคยเห็นชาวบ้านป่าหรือกะเหลี่ยงคนไหนมีรูปร่างและใบหน้าคมสัรเท่าเจ้าหนุ่มร่างยักษ์ผู้นี้มาก่อนเลยอายุของชายผู้นั้นประมาณ2 8สปถึงปีเป็นอย่างสูงแต่งกายแบบพรานกะเหลี่ยงอย่างที่เห็นเห็นอยู่ทั่วไปในมือถือปืนวินเชสเตอร์ขนาดจุดสี่สี่ 40แบบโบราณกระบอกเก่าคล่ำคร่าอันเป็นปืนบนหลังมา้าสมัยที่ใช้กันในต้นศตวรรษที่19ใบหน้านั้นครับคล้ายครับคราต่อสายตาของรพินอย่างไรชอบกลว่าจะเคยเห็นมาก่อนแต่ขณะนี้เขานึกไม่ออกหนุ่มกะเหรี่ยงผู้นั้นเมื่อก้าวเข้ามาแล้วก็สุดกายลงนั่งขัดสมาธิกับพื้นวางปืนไว้ข้างๆตัวยกมือไหว้คารมมายัางจอมพราน แล้วก็นั่งนิ่งอยู่ด้วยอาการสงบสํารวมแก่ชื่ออะไรแงซ า, ายเป็นเสียงห้าวต่ำมีกังวาลผ่านออกมาจากลำคออวบใหญ่นั้นเอดูเหมือนฉันจะคุ้นหน้าแกมาก่อนนะใบหน้านั้นปรากฏรอยยิ้มกว้างมองเห็นฟันสะอาดเป็นระเบียบถูกแล้วครับผู้กองท่านกับผมเคยพบกันมาครั้งหนึ่งแล้วที่ห้วยกวาง ในวันก่อนหน้าที่กองโจนกระเหลียงจะบุกเข้าทำลายค่ายตำรวจตะเวนชายแดนหนึ่งวันระพินภัยวันเบิกตากว้างเขาะระลึกขึ้นมาได้แล้วสมัยที่เขายังเป็นผู้บังคับกองตำรวจตะเวนชายแดนประจำค่ายหมีดำครั้งที่มีการสู้รบกับพวกกองโจนกระเหลี่ยงคนนี้มาก่อนแล้วเป็นการพบในวันสุดท้ายก่อนหน้าที่ค่ายหมีดำจะถูกกองโจรบุกเข้าโจมตีทำลายย่อยยับลงซึ่งในครั้งนั้น เขาตีหักการรบอย่างชุนรมุลประจันบานเอาชีวิตรอดออกมาได้อย่างหุดวิดเจ้าแง่สายคนนี้นี่เองปลอมตัวเป็นชาวพื้นเมืองบ้านป่าเข้ามาป้วนเปี้ยนเรียบเคียงสอดแนมใกล้กับบริเวณที่ตั้งค่ายของเขาหมอได้พูดเป็นเชิงบอกใบเตือนให้เขารู้ตัวว่าค่ายหมีดำไม่อยู่ในฐานะแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะตั้งรับการบุกโจมตีของกองโจรกะเหลี่ยงได้ และพูดเป็นนเหมือนจะเตือนให้เขาเร่งปลีกหนีเอาตัวรอดไปเสียก่อนซึ่งในขณะนั้นเขาแทบจะยิงหมอทิ้งเสียเพราะความเดือดดานที่ถูกสบประมาทแต่แล้วเมื่อค่ายหมีดามถูกขยี่แรพินาตรงจริงๆในวันรุ่งขึ้นเขาก็หวนคิดไปถึงคำพูดของเจ้าหนุ่มกระเหี่ยงคนนั้นได้และอย่างจำได้จนกระทั่งบัดนี้เดี๋ยวนี้หมอนั่นเข้ามานั่งอยู่ตรงหน้าเขาเดี๋ยวนี้เองออ ฉันจำแก่ได้แล้วงแงซายระพินพูดออกมาด้วยเสียงเครียดกลึมจ้องนิ่งไปยังกะเหลียงผู้นั้นเสียดายเหลือเกินนะที่ฉันได้พบแก่เมื่อฉันออกจากหน้าที่ราชการแล้ววันนั้นแกเข้าไปสอดแนมใช่ไหมแล้ววันรุ่งขึ้นแกก็จะต้องเป็นคนหนึ่งในกองกําลังของพวกโจรกะเหลียงบุกเข้าทําลายค่ายตํารวจตะเวนชายแดนงแง่ซายยิ้มก้มศรีรษะรับอย่างกล้าหาญ เป็นจริงตามที่ท่านพูดครับผู้กองเอาละแกมาหาฉันด้วยธุระอะไรคิดจะป้นสถานีกักว์ของฉันแล้วก็เข้ามาเตือนฉันให้รู้ตัวไว้ร่วงหน้าก่อนเหมือนเมื่อครั้งนั้นหรือหาไม่ได้ครับผู้กองผมมาพบท่านอย่างชาวดงเร่ร่อนพเนจรคนหนึ่งไม่ได้มาอย่างศัตรูของท่านเหมือนสมัยนั้นเอาละว่าธุระของแกไปซี คืออย่างนี้ครับผมได้ยินข่าวมาว่าท่านจะออกเดินทางบุกดงไปทางด้านเหนืออันเต็มไปด้วยความกันดานเพื่อบ่ายหน้าไปยังขุนขาวพระศิวะอันไกลโพ้นข่าวนี้เป็นความจริงหรือเปล่าครับพระพินหันไปมองดูหน้าคณะนายจ้างของเขาเชิดาดาลินและชัยยันผู้นั่งมองและฟังอย่างสนใจตั้งแต่หนุ่มกระเรียงร่างใหญ่ก้าวเข้ามาบัดนี้ต่างก็มองดูตากัน ใช่เป็นความจริงทำไมหรือหม่อมราชวงศ์เชษฐาตอบแทนมาและท่านก็ประกาศรับสมัครคนใช้ที่จะเดินทางไปกับท่านด้วยเสียงห้ารึกนั้นกล่าวต่อมาถูกแล้วแกจะมาขอสมัครไปกับเราด้วยกระมังชา ย, ยันรีบถามมาโดยเร็วครับผมขอสมัครเป็นคนรับใช้ของท่านในการเดินทางครั้งนี้คนหนึ่ง ทุกคนต่างหันมามองดูรพินเหมือนจะขอความเห็นพรานใหญ่นิ่งเฉยตาหลี่จับนิ่งอยู่ที่แง่าสายตลอดเวลาเหมาะไมมคุณรพินเรากำลังขาดคนอยู่คนหนึ่งพอดีชัยยันร้องถามมาอย่างริงโลดแต่จอมพรานคงพินิษ ส, สำรวจอยู่ที่เจ้าหนุ่มกะเลียงอยู่เช่นนั้นครู่ใหญ่เหมือนจะค้นหาอะไรที่แอบแฝงอยู่ในที่สุดเขายิ้มกว้าง หันไปพูดเป็นภาษาอังกฤษกับนายจ้างของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้แง่ทายเข้าใจเล่าคร่าวๆให้ฟังถึงว่าเจ้าหนุ่มกระเลียงผู้นี้เคยมีพฤติการไม่น่าไว้ใจเช่นไรมาในอดีตเพราะเคยเป็นทหารโจรกระเลียงทุกคนเมื่อได้ทราบก็พากันเงียบงันไปแง่ทายแกนึกว่าแกจะใช้อุบายเก่าๆมาเล่นกับฉันได้อย่างสะดวกง่ายดายอีกหรือไหนลองบอกมาสิว่า กองโจรกระเหลี่ยงใช้ใแก่เข้ามาเป็นสายโดยขอสมัครมาเป็นคนใช้ของเราในระหว่างเดินทางแล้วก็จะดักป่นเราตอนไหนส่วนตัวแกเองล่ะแน่ใจหรือว่าในครั้งนี้จะรอดไปได้แง่าสายมองตอบเขาด้วยสายตาตรงมีประกายแจ่มใสพร้อมกับโครงหัวน้อยๆเป็นความสัตย์จริงครับผู้กองผมมาขอสมัครเป็นคนใช้เพื่อร่วมทางไปกับท่านด้วยสุดจริตใจ ไม่ได้มีอุบายไรซ่อนเล่นอยู่ทั้งสิ้นขณะนี้ผมเองก็ไม่ได้เป็นทหารโจรกระเหลี่ยงอีกแล้วในอาณาจักรป่าดงพงพีนี้ท่านย่อมเปรียบเสมือนเสือใหญ่เป็นเจ้าแห่งป่าชีวิตของผมที่จะติดตามไปด้วยก็ย่อมจะเป็นประกันอยู่ในมือของท่านอยู่แล้วจงข่าผมเสียถ้าท่านมีความรู้สึกว่าผมจะทรยศหมอนี่พูดจาสำคัญแฮะหน้าตาท่าทางก็เข้าทีไม่ใช่ย่อยหรื อ, อยังไง เสียงชายยันพึมพำออกมาเบาๆกับเชิฐาส่วนดาลินจ้องเป่งไปยังหนุ่มกะเลียงรู้สึกว่าคณะนายจ้างของเขาทุกคนดูจะพอใจแง่ายมากแต่ทุกคนก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรพินในการสอบซักเจรจาพฤติการของแกลึกลับไม่น่าไว้วางใจเลยแง่ายจอมผ่านพูดตรงๆไหน ลองเล่าประวัติของแกไปให้ละเอียดซิผมชื่องแงซายเป็นชาวกะเหรี่ยงแต่ก็ไม่ใช่กะเหรี่ยงแท้นะักถิ่นฐานเชื้อชาติของผมเป็นชนอีกเผ่าหนึ่งใช้ชีวิตอยู่อย่างดินแดนไกลโพ้นไปทางด้านเหนือผมไม่มีที่อยู่หลักแหล่งแน่นอนตลอดเวลามาเร่ร่อนพเนจรไปทั่วผมได้จากดินแดนอันเป็นแหล่งเกิดมาตั้งแต่ยังเป็นทารกเล็กๆครั้งหนึ่งผมได้เป็นทหารของนายพลองซาน ประจำกองร้อยเสือดาวภายใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับกองยินตองที่ถูกฝ่ายของท่านเรียกว่าเป็นกองโจนกะเหลียงต่อมาผมได้หนีออกจากกองร้อยเสือดาวของยินตองแล้วก็เร่ร่อนลงมายังเขตดแดนไทยโดยสมัครเป็นกรรมกรในเหมืองแร่บางครั้งก็ล่าสัตว์หาของป่าไปขายในเมืองเดี๋ยวนี้ผมเบื่อเต็มทีแล้วอยากจะกลับไปทางด้านเหนืออีก เพราะแถบนี้ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของผมท่านได้โปรดให้ผมได้ร่วมเดินทางไปกับท่านสักคนเถิดครับผมไม่ได้ขอสมัครเพื่อหวังค่าจ้างหรือผลประโยชน์อันใดทั้งสิ้นนอกจากจะขอเพียงแค่เดินทางไปด้วยผมขอปฏิญาณในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความกล้าหาญจะปฏิบัติตนรับใช้พวกท่านอย่างทาาผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งตามแต่ท่านจะใช้ทุกสิ่งที่ผมกล่าวเป็นวาจาสัตย์ ระพินเองก็อาจจะงงงงไปเหมือนกันในวาจาอันฉะฉานคมคายผิดไปจากพวกพื้นเมืองสามัญของหนุ่มกระเรียงผู้ลึกลับอย่างไรก็ตามเขามองไม่เห็นแสงทุจริตหรือพิรุษใดๆจากแววตาสุขใสคู่นั้นสำหรับคณะนายจ้างของเขาทั้งสามคนย่อมไม่มีปัญหาทั้งหมดมีความเห็นเป็นเอกฉันตรงกันในด้านที่พอใจคนใช้ผู้สมัครใหม่นี้อย่างยิ่ง โดยเฉพาะดารินหลอนผิวปากวือออกมาในทันทีที่เงี่ยวหูฟังสำเนียงแปลงๆของแง่ายจบลงร้องออกมายิ้มๆเป็นภาษาอังกฤษไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะพูดได้น่าฟังอย่างนี้มันไม่เหมาะสมกับสภาพอันเป็นชาวโดงของเขาสักนิดคำพูดและสำนวนของเขามันส่อออกมาชัดๆว่าเขาน่าจะได้รับการศึกษามาบ้างถึงจะไม่ดีนักก็คงพอสมควรทีเดียว คงไม่ใช่ชาวดงพื้นพื้นธรรมดาหรอกถ้าฉันถ่ายไม่ผิดอืมแปลกมากพี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันหมอมรชวงเชิดถาพึมพำคล้อยตามจ้องนิ่งอยู่ที่แง่ซายอย่างประหลาดใจพับผ่าสิไอ้หมอนี่มันจะต้องซ่อนคมอย่างร้ายทีเดียวแต่ถึงยังไงก็บอกตามตรงว่าฉันชักถูกชะตากับมันยังไงพิกนชัยยันร้องออกมาบ้างอย่างนิสัยเปิดเผย ระหว่างที่ระพินยังนิ่งด้วยอาการพิเคราะห์อยู่หม่อมราชวงดาลินก็ปราศัยกับหนุ่มกะเลียงมายิ้มยิ้มเป็นภาษาไทยว่าแง่ท า, ายเธอเคยเรียนหนังสือที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าแง่าสายเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่หญิงสาวประกายตาคู่นั้นสำรวมอ่อนโยนแล้วก็ตอบอย่างสงบว่าเคยเรียนมาบ้างเล็กน้อยครับนายหญิงที่ไหนอย่างไรไหนลองบอกหน่อยซิ ผมเรียนอยู่ในเมืองมันทะเร8ปีเมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นก็ถูกส่งไปเรียนการรบแบบกองโจรที่จุงกิงสองปีพอปลายสงครามก็ถูกส่งมาให้มากระโดดร่มเข้ายึดพมา่าร่วมกับกองทหารอังกฤษทั้งหมดแทบจะพงะไปด้วยความตรึงพึงเพิดในคำบอกเล่าอย่างเรียบเรียบสงบสงเงียมของแง่ทรายโวชายยันร้องออกมารัานห้อง ทำตาเหลือกจ้องหน้าหนุ่มกะเลียงอย่างงงงันที่สุดและพินเองก็ตะลึงคอแข็งไปทุกคนประมาณการชาวดงผู้มาสมัครเป็นคนใช้ผู้นี้ผิดไปหมดชนิดหน้ามือเป็นหลังมือมันเนื่องมาจากความสงสัยและช่างซักของหม่อมราชวงศ์ดารินแท้ๆประกอบกับความบริสุทธิ์ใจไม่ได้คิดจะปกปิดอำพรางของแง่ทายความจริงจึงได้ปรากฏออกมาตายละ ว, ว่า ถ้าหมอนี่จะเป็นชาวดงก็เรียกได้ว่าชาวดงที่ผ่านหลักสูตรของมนุษย์ที่เจริญมาแล้วอย่างดีทีเดียวแล้วชายยันก็ถามมาเป็นภาษาอังกฤษเร็วปือว่างั้นแกก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้นะสีสหน้าอันสงบสํารวมของแงซายมิได้เปลี่ยนแปลงใดๆเลยในขณะที่ตอบเป็นสำเนียงที่ชัดที่สุดเท่าที่ลิ้นของชาวเอเชียจะพูดไดมาว่าก็พอพูดไดบ้างครับท่าน เป็นไงชายยันหันไปมองดูหน้าเชษฐาและดาลินครางออกมายังไม่ทันจะเดินทางไปสู่ความรีรับพิสดารทั้งหลายเลยเรื่องพิสดารมันก็เกิดขึ้นเสียแล้วไหมละ่ะพวกเราเคยตะลึงอ้าปากค้างเมื่อรู้ว่านายพรานผู้นำทางของเราแท้ที่จริงเป็นนักเรียนการทหารเยอรมันมาทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มาตะลึงกับคนใช้กันเลียงผู้เคยศึกษาวิชาการรบในป่า ที่กองบัญชาการสัมพันธมิตรจุงกิงอีกคนหนึ่งชาวโดงผู้พูดภาษาไทยกรุงเทพได้ลิ้นบ้านป่าแต่พูดภาษาสากลของโลกด้วยสำเนียงชาวรอนรอนเป็นลมดีกว่าเราว่าแล้วชายยันก็ยกมือขึ้นตบหน้าผากตนเองดังเพียเธอทำให้พวกเรางงและมหัศจรรย์ใจมากนะแงซายฉันสงสัยตั้งแต่ฟังเธอพูดแล้ว เธอพูดอย่างคนเจริญไม่ได้พูดอย่างชาวป่าถึงแม้รูปลักษณะภายนอกของเธอจะเป็นชาวป่าก็ตามระพินภัยวัน ห, หัวเราหึ่พูดมาตำตำแกเป็นคนลึกลับมากนะแง่ทรายแต่ก็ขอบใจที่บอกตามจริงโดยไม่ปิดอย่างน้อยที่สุดมันก็แสดงให้เห็นว่าแกมีความบริสุทธิ์ใจกับพวกเราเอาล่ะขอถามอีกสักนิดเถอะ ขณะที่แกสังกัดอยู่ในกองทหารอิสระของในพลอองซานแกมีตำแหน่งเป็นอะไรผมเป็นผู้บังคับหมวดสี่ยศร้อยโทรครับผู้กองเป็นหมวดที่ตีโอบด้านหลังของค่ายหมีดำด้วยปืนกลหนักและเครื่องยิงระเบิดถ้าท่านไม่คิดว่าผมโอหังจนเกินไปผมก็จะขอถือโอกาสนี้เรียนตามสัจจริงว่า ในวันที่กองทหารโจนกระเหลี่ยงขยี้ค่ายหมีดำของตำรวจตะเวนชายแดนวันนั้นผมเห็นตำรวจในค่ายแหกร้อมหนีไปได้เพียงสามคนเท่านั้นหนึ่งในจำนวนสามผมจำได้ว่าเป็นท่านแต่ความจริงแล้วจะไม่มีเหลือรอดไปได้เลยแม้แต่คนเดียวท่านแหกร้อมออกมาทางด้านรางปืนของผมพอดีผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเหตุไรผมจึงสั่งพลประจำปืนให้หยุดริง จนกระทั่งท่านรับหายปลอดภัยลงไปในลำห้วยบางทีจะเป็นเพราะผมชอบท่านเป็นการส่วนตัวก็ได้อ๋อแปลว่าแกช่วยชีวิตของฉันไว้ในครั้งนั้นสิผมไม่ได้ช่วยหรอกครับแต่ผมไม่ต้องการจะฆ่าท่านให้ตายเถอะฉันน่าจะจับแกส่งให้สารทหารพิพากษายิงเป้าเสียจริงๆแง่งาสายยิ้มกว้างตาเดิมดูบริสุทธิ์เหมือนรอยยิ้มของเด็ก ไม่ได้โต้ตอบคำใดทั้งสิ้นสายตาของเขาที่กลาดไปรอบๆเต็มไปด้วยอาการวิงวอนขอร้องหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินมองไปทางจอมพรานเอ่ยขึ้นเหมือนจะเตือนคุณยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าจะยอมรับเขาให้ร่วมทางไปกับเราหรือเปล่าผมขอมอบหน้าที่ในการพิจนารณนี้ให้แก่คุณชายเชษฐาและพวกคุณทุกคนครับริดตอบเรียบๆ เราอยากจะขอความเห็นจากคุณนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเชษฐาว่าเต็มไปด้วยความรอบคอบสุ ข, ขุมตาจับนิ่งมายัางจอมพรานอย่างพยายามจะอ่านความรู้สึกชั ย, ยันก็เสริมว่าถูกแล้วหน้าที่ในการพิจารณาควรจะเป็นของคุณผู้เปรียบเสมือนกับตันเรือเพราะคุณรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นผู้นาเราพูดกันตรงๆก็คือ ถ้าคุณละแวงว่าเขาจะมีแผนทุจริตอะไรในการมาสมัครครั้งนี้เราไม่ต้องการเขาคุณรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าสายตาของแง่ท า, ายเปลี่ยนมาจ้องจับประสานตาของพรานใหญ่อีกครั้งมันมีประกายขอร้องวิงวอนอย่างประหลาดระพินยิ้มออกมานิดหนึ่งยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบผมเชื่อว่าเขาคงไม่มีแผนทุจริตเป็นพิษเป็นภัยอย่างใดต่อคณะของเราหรอกครับ นั่นสิควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดเขาก็เคยช่วยชีวิตนายตำรวจตะเวนชายแดนไทยค่ายแตกคนหนึ่งไว้เสียงดาลินเปรยออกมาเบาๆเจตนาจะให้ระพินได้ยินเมื่อเขาจำเรืองมาก็าพบกับหางตาชำเรืองอยู่ก่อนแล้วของหญิงสาวหล่อนทำเป็นเมินไปเสียริมฝีปากพรายไปด้วยรอยยิ้มเย้ะยั่วหม่อมราชวงเชิฐาลุก ข, ขึ้นจากที่นั่งเดินมายัางแง่ทราย ผู้น่งอยู่กับพื้นแล้วไยักหน้าออกคำสั่งให้หนุ่มกระเลียงยืนขึ้นแง่ทรายปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อเขายืนขึ้นเต็มส่วนสัตว์ก็มองเห็นได้ว่าเป็นชายจักรัร่างงามเยี่ยมคนหนึ่งยากที่จะหาได้ในเผ่ากะเลียงอันเป็นชาวดงมีรอยแผลเป็นอันเกิดจากหอกหรือมิฉะนั้นก็ดาบปลายปืนทางเฉียงจากขากันกายขึ้นมาจดโหนกแก้ม เชษฐาพิจารณาใบหน้าและรูปร่างนั้นอย่างถี่ถ้วนด้วยความพึงพอใจสองคนนี่มันได้คู่กันจริงแฮเสียงชายยันร้องออกมาเบาๆใหญ่พอฟัดกันได้อย่างเหมาะสมทีเดียวจริงอย่างที่ชายยันว่ารูปร่างของแง่ทายและเชษฐาสูงใหญ่ต่า ง, งานงามมีส่วนสัตว์ไรเลียกันทุกอย่างผิดกันแต่ว่า คนหนึ่งผิวขาวเกลี้ยงสะอาดแบบชาวพระนครแต่อีกคนแดงจัดราวกับผิวหม้อใหม่ดูกล้าวแกร่งบึกบืนอย่างคนใช้ชีวิตอยู่อย่างสมบุกสมบันฉันชอบรูปร่างของแกเสียจริงแง่ทรายเชษถาเ อ, อ่ยยิ้มยิ้มเอาละเป็นอันว่าฉันยิน ด, ดีที่จะรับสมัครแกเป็นคนใช้ร่วมเดินทางไปกับคณะของเราแง่ทรายตาเป็นประกายด้วยความปิติ ทุกคนเห็นเขายิ้มจนเห็นฟันทั้งสองแถวพืมพามออกมาเป็นพระคุณอย่างสูงครับเจ้านายท่านกรุณาผมเหลือเกินเราจะออกเดินทางเช้าพรุ่งนี้แกพร้อมแล้วหรือระพินถามมาผมพร้อมเสมอครับจอมพานใต่าถามอะไรหนุ่มกระเดียงผู้เป็นคนใช้มาสมัครใหม่อีกสองสามคำก็บอกให้บุญคำนำลงไปจัดหาที่พักให้เพื่อเตรียมร่วมออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ ทั้งหมดร่วมวงสนทนากันต่อไปภายหลังจากแงสายได้พระลงไปแล้วเป็นการสนทนาอยู่ที่ดึกเป็นพิเศษผิดไปกว่าทุกคืนความจริงระพินอยากจะปลีกตัวและกล่าวเตือนให้คณะนายจ้างของเขาพักเอาแรงไว้เพราะพรุ่งนี้จะเริ่มต้นออกเดินทางแล้วแต่ทั้งเชษฐาและชา ย, ยันเหนี่ยรรังขยันขยอเขาไว้โดยอ้างเหตุผลว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่จะมีโอกาสได้สนทนาหารือกัน ภายในสถานที่อันเป็นที่พักสะดวกสบายแห่งนี้รบพินย่อมรู้ดีว่าคณะนายจ้างของเขาตกอยู่ในอารมณ์ตื่นเต้นอันเป็นธรรมดาของผู้ที่รู้ตัวว่ากำลังจะออกเดินทางไปสู่อนาคตซึ่งยังไม่มีใครทำนายถูกมันอาจเป็นการผจญภัยชนิดที่ทุกคนไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตและมันเป็นวันสุดท้ายที่จะเริ่มต้นคนเหล่านั้นคงจะหลับนอนลงไม่ได้ง่ายนัก และเมื่อทุกคนไม่มีใครคิดจะอยากนอนในหัวขํานี้แน่นอนละก็ต้องลังเขาไว้เป็นเพื่อนคุยด้วยพรานใหญ่ไม่ต้องการจะขัดใจคณะนายจ้างของเขาเรื่องที่คุยกันส่วนมากเป็นเรื่องของการล่าสัตว์และการใช้ชีวิตในป่าซึ่งทุกคนเป็นฝ่ายซักถามเขาคําถามส่วนมากมักจะมาจากชัยยันซึ่งสังเกตว่าเขาจะมีความคึกคักตื่นเต้นและชอบการล่าสัตว์อยู่ไม่น้อย เชษฐานั่งฟังยิ้มยิ้มแต่ก็สนใจไม่น้อยมักจะกล่าวซักถามเป็นกิจลักษณะบ้างบางคราวเท่านั้นส่วนดารินดูจะจ้องจังหวะขวางลำขัดคอเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเขาอยู่ตลอดเวลาหม่อมราชวงศ์คนสวยผู้มีนิสัยแก่นกล้าผิดหญิงผู้นี้ดูจะจงใจเป็นปอะปักกับเขาเอาเสียจริงๆแต่ละพินไม่สนใจและยิ่งเขาไม่สนใจหรือถือเป็นสาระมากเท่าไหร่ หล่อนก็ยิ่งเหี้ยวมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่ทำความพอใจให้แก่จอมพรานเล็กน้อยก็คือคณะนายจ้างของเขาแต่ละคนถึงแม้จะเป็นชาวกรุงที่ใช้ชีวิตสะดวกสบายอยู่กับอารยาธรรมรอบด้านทว่าคนเหล่านั้นก็พอจะเคยคุ้นกับการเข้าป่าและสามารถเข้าใจกับชีวิตป่าได้บ้างตามสมควรไม่ใช่คนใหม่ที่ไม่รู้จักอะไรเอาเสียเลยเชิฐากับชยยันเคยเป็นนักรา์สมัครเล่น ออกเที่ยวป่าในทุกครั้งเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ได้ส่วนหม่อมราชวงศ์หญิงดารินก็เคยออกป่าเกี่ยวกักบการศึกษาในด้านมานุษยวิทยาผนวกกับนิสัยที่ชอบซุกซนซอกแซกปิดหญิงของร่อนอันเป็นธรรมชาติประหลาดที่ไม่น่าจะมีอยู่ในผู้หญิงสา ม, มัญทั่วไปแต่จะอย่างไรก็ตามคนเหล่านั้นไม่ใช่บุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเป็นอาชีพอย่างเขาซึ่งย่อมจะเปรียบเหมือนผู้ยาวสาหรับป่าอยู่ดี